อย่างไรให้เป็นสุขในสภาพเศรษฐกิจตกต่ำที่จริง เ, เรื่องเศรษฐกิจตกต่าตอนนี้ก็คงเป็นแค่ประเด็นเดียวในทำการสถานการณ์ที่หลายคนรู้สึกเป็นห่วงเมื่อสักช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมาอาจะมาก็ได้รับอคําถามคนถาเนี้ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องเศรษฐกิจตกต่ำเดียวแต่รวมถึงเรื่องสถานการณ์าการเมืองที่อ มัน ผ, ลผลันผวนแปรปรวนไม่แน่นอนนะรวมทั้งความไม่แน่ใจในปัญหาสถานการณ์ต่างๆก็สุดเป็นว่าวันนี้เนี่ยอาจจะพูดรวมคลุมไปถึงเรื่องของสถานการณ์ทั่วไปซึ่งหลายท่านรู้สึกว่ามันไม่ดีขึ้นนะแล้วก็มันหาความแน่นอนไม่ได้หลายคนเนี่ยเมื่ออยู่ และประสบกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจการเมืองอาจจะรวมถึงเรื่องอธรรมภาติเช่นปัญหาเรื่องโลกร้อนที่กําลังวิตกกันอยู่หลายคนจะถามขึ้นมาในใจว่าเมื่อไหร่สาการมันจะดีขึ้นนะทำอย่างไรเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นทำอย่างไรบ้างเมืองมันถึงจะดีขึ้นเมื่อไหร่ อย่างไรทำไมหลายคนจะถามคำถามนี้อยู่ในใจแต่มาคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราเม่เค่อยได้ถามเท่าไหร่ก็คือคำถามที่ว่าทำไมเราต้องเอาความสุขของเราเนี่ยไปฝากไว้กับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ด้วยนทำไมเราต้องเอาความสุขของเราเนี่ยไปฝากไปอิง่งไปแขร์ไว้กับสถานการณ์ที่เป็นอยู่น แต่ก็ตรงนี้คือประเด็นสำคัญเลยนะฮะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราหวันที่จะประสานาการเกษตการเมืองเนี่ยเป็นเพราะลึกๆเนี่ยเราเอาความสุขของเราไปฝากไว้ที่ตรงปัจจัยภายนอกตลอดเวลาคำถามตัวเราสามารถที่จะเป็นสุขท่ามกลางสถานการณ์ที่ผันผวนได้ไหม เราสามารถที่จะเลิกที่จะเอาความสุขของเราเไปฝากไว้กับชาการรอบตัวเราได้ไหมอัตมาคิดว่าได้นะและเป็นสิ่งที่ควรทําด้วยคําถามต่อมาคือว่าแล้วจะทําได้อย่างไรเราจะเอาความเราจะเลิกที่จะเอาความสุขไปฝากไว้กับ หรือไปแขวนได้กับสิ่งภายนอกโดยเพราะสถา ร, ารบ้านเมืองเนี่ยเราทำได้และเราจะทำอย่างไรนะตรงนี้คือคือคือเป็นสําคัญมากกว่าซึ่งตรงนี้หนุ่มจยอมมาถึงเรื่องของของการที่เราเนี่ยจะต้องหันมาให้ความสําคัญกับเรื่องของของติตใจของเรามากขึ้นเพราะว่าการที่เรายอมให้สถานการณ์ที่เป็นอยู่เนี่ยเข้ามากระทบกับสุข และทุกของเราหรือผู้ยันก็คือเข้ามากระทบกับชีวิตของเราเนี่ยเป็นเพราะว่าใจของเรามันเปิดช่องหรือว่ามันสมยอมพระเจ้าเคยตัดไว้เป็นคาถาในธรรมบทนะว่ามือเนี่ยนะสามารถที่จะจับยาพิษได้โดยที่ ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายถ้ามือไม่มีแผลแต่เมื่อใ่ก็ตามที่มือเรามีแผลเนี่ยพอเราไปถูกยากพิษเข้ามันก็กลายเป็นอันตรายขึ้นมาคําถามก็คือว่าอันตรายทีเกิดขึ้นเป็นเพราะยาพิษหรือว่าเป็นเพราะแผลในมือของเราส่วนใหญ่เราไมัเจะไปโทษว่เาเป็นเพราะยาพิษนแต่เราบ่อยครั้งเราไม่ได้ดูว่าหรือไม่ใส่ใจว่ า, วาเอ๊ะมือเรามีแผลหรือเปล่า แล้วเราที่จะทำยังไงกับมือที่มีแผลนั้นเราเคยคิดที่จะรักษาแผลยาดับบาดแผลในมือของเราหรือเปล่าคือถ้ามือมีแผลนะฮะอย่าว่าแต่ยาพิษเลยนะแม้แต่ใบหญ้าใบหญ้าซึ่งดูเหมือนอ่อนฟิวมันก็กลายเป็นอันตรายได้ไม่เชื่อก็ลองลองลูดจ้าขาดูดนะด้วยมือที่มีแผลเนี่ย นี่เกิด อ, อะไรขึ้นตามมาคือพอมือเรามีแผลแล้วเนี่ยอย่ย ว, ว่าแต่ยาพิษเลยแม้กระทั่งสิ่งซึ่งดูเหมือนไม่เป็นอันตรายบางทีก็กลับเป็นอันตรายขึ้นมาไดา้อันนี้พระเจท่านท่านพูดนี้เพื่อให้เราเนี่ยย้อนกลับมาดูตัวเรานะว่าทุกวันนี้เนี่ยไอ้ความผู้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะสิ่งภายนอกหรือว่าเป็นเพราะใจของเราต่างหากนะ เพราะฉะนั้นในตรงนี้เราชื่อว่าถ้ามองจากสายตาของคนภายนอกอย่างอาตมาซึ่งไม่ค่ยได้ได้เข้าไปมีชี่อยู่ท่ามกลางอ่าโลกของครารวาซึ่งอ่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องขอ ง, ของบ้านเมืองเนี่ยถ้ามองจากสายตาคนภายน อ, นอกเนี่ยก็จะก็จะรู้สึกว่าทุกวันนี้เนี่ยประตูใจเราเปิดรับขึ้น รับพายุจากสิ่งภายนอกเข้ามามากเกินไปจะโดยรู้โัวไม่รู้กตกฏตามเนี่ยเป็นเพราะใจของเราจะไเปิดให้สิ่งต่างๆที่มันไม่น่าพึงปรารถนาเนี่ยเข้ามาในใจของเราตรงนี้แหละ ค, คือประเด็นสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าจะอยู่อย่างไรในสถานาปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะไปเจอเหตุการณ์ขันพลบ้านเมืองแตกพลบก็ตามต้องมาคว่าอย่างแรกคือต้อง กลับมาดูที่ใจของเราก่อนเป็นอย่างแรกแต่ไม่ใช่อย่างเดียวนะฮะการที่เราจะพยายามแก้ไขปัญหาของสังคมของบ้านเมืองเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญแต่ว่าอย่างเบื้องต้นเลยเนี่ยมีความเป็นอย่างยิ่งที่เราจะหันมาจัดการตับใจของเราถ้าจะพูดอย่างถึงที่สุดแล้วเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราก็ตามนะ มันไม่ทําให้เราทุกข์แต่สิ่งที่ทําให้เราทุกข์ก็คือความรู้สึกท่า ป, ปฏิปิตริยาของเราต่อสิ่งนั้นนะอันนี้เรียกว่าเป็นสัจธรรมเลยนะอันไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับเรานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องซักไม่ว่าจะเป็นเรื่องร่างกายสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การสัมพันธ์กับผู้คนเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวการที่ทําให้เราทุกข์มากเท่ากับท่าทีปฏิกริยาความรู้สึกของเราต่อสิ่งนั้นผู้น่าคือว่ามันอยู่ที่การวางใจของเรานะเพราะงั้นจะมาคิดว่าวันนี้เนี่ยจะจะมาธิมาพูดตรงนี้เป็นหลักนะฮะก็คือว่าถ้าหา ปรารถนาที่จะอยู่อย่างเป็นสุขหรือว่าเป็นปกติในสถานการณ์ปัจจุบันในี่ยจะมากเชื่อประการแรกเลยคืออันที่หนึ่งเราต้องยอมรับความจริงนะถ้าใจเราไม่ยอมรับความจริงว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเราพยายามที่จะผลักไสเราพยายามที่จะปฏิเสธเราพยายามคิดอยู่ตลอดเวลาว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วความรู้สึกนี้เนี่ยมันทให้เราทุกข์ยิ่งกว่าเดิม ความสุขของคนเราเนี่ยส่วนใหญ่เลยเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่เราเนี่ยเริ่มจากการที่ไม่ยอมรับไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเราอดไม่ได้ที่จะหวนเราห้อยไปยังถึงอดีตที่เคยดีที่เคยสวยงาม เมื่อสองปีที่แล้วเสร็จปีกันปีสัวนี้อยู่เลยเมื่อสามปีที่แล้วนะยังทามาค้าขึ้นนะขายได้วันละหลายพันหรือว่ามีรายได้วันละหลายหมื่นการที่เราหวนไปหาอาดีตที่ที่สวยงามก็ตามหรือการที่เราหันไปมองไปที่อนาคตด้วยความรู้สึก ตื่ตรหนกตกใจหรือกังวลว่ามันจะต้องแย่กว่านี้แน่นอนเลยแล้วถ้ามันแย่กว่านี้ฉันจะทํายังไงแล้วควาทุกข์คนาส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมันจะมันจะไปตรงนี้นะฮะคือหันไปหาอาดีตที่เคยดีที่เคยสวยหรือว่าไปกังวลกับอนาคตซึ่งยังมาไม่ถึงแต่ส่วนให้นาฬิกตกแล้วมันก็ตามที่ใจเราแกล้งไปไม่ทำอดีตหรืออนาคตก็ตามเนี่ยนะ เราจะรู้สึกว่าไอ้สาการที่เป็นอยู่เนี่ยมันเหลือรับมันทนไม่ไหวเราทนไม่ได้ความตัวไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยคือสิ่งที่มันไปเป็นตัวที่กดทับความรู้สึกที่ทําให้เราเนี่ยเป็นทุกข์กับสถ า, านการที่เป็นอยู่เวลาคุณทํางานแล้วก็ตามเนี่ยถ้าคุณทำงานรู้ความรู้สึกว่าไม่ไหวมันแย่หรือทําด้วยความรู้สึกว่ามันไม่นา่าเป็นอย่างนี้เลย ไอ้คำว่าไม่น่าเนี่ยคำว่าไม่น่าเนี่ยเช่นนะเจ้านายไม่น่าเอางานที่ไม่ใช่ฉนเลยหรือว่าเพื่อนเนี่ยนะไม่น่าขาดงานตรงนั้นฉันต้องมารับผานละหรือว่าเศรษฐกิจมันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้เลยบ้านเมืองมันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้เลยไอ้คำว่าไม่น่าเนี่ยนะพอมันเกิดขึ้นในใจเราขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยเราจะมีท่าทีที่จะปฏิเสธต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาคุณทํางานแล้วคุณมีความรู้ว่ามันไม่น่าทําหรือว่า ทำไมต้องมาทําตรงนี้ทําไมต้องเป็นชั้งนะมันจะรู้สึกเลยไม่ไหวแล้วใหนะ้สมาธิว่าจะต้องเริ่มต้นจากความรู้สึกยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นยามรับสิ่งที่เป็นอยู่ว่านี่คือความจริงนะคําว่าอาดีตที่เคยสวยงามหรืออนาคตที่ดูน่าตัวอนะสมาธอว่าเรา เราให้ความสนใจกับมันน้อยลงดู่กับปัจจุบันให้มากขึ้นอย่างรักความเป็นจริงนะอันนี้แม้กทั่งเวลาเวลาเราป่วยนะแล้วถ้าเราปฏิเสธความป่วยนะทำไมต้องมาป่วยตอนนี้ด้วยนะแล้วคิดถึงเรื่องงานการว่าโอ้โ oh, หถ้าเราป่วยแล้วนี่เรื่องใครจะดูแลบ้านใครเวลาครอบครัวเรื่องเรื่อ ง, องทองเป็นยังไง่งหนักเข้าไปหร่ ถ้าเราเมื่อใดก็ตามที่เรายอมรับว่าเออมันเป็นธรรมดามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วตรงนี้นะที่เรามีโอกาสที่จะเห็นแสงสว่างที่ต้ลูกมงคือสามารถที่จะหลุดออกมาจากความทุกข์ได้นะคือประการที่สองเนี่ยสมมติว่าเมื่อเมื่อเรายอมรับความจริงแล้วเนี่ยก็คงต้องเตรี่ยมตัวแล้วฮรับเตรียมตัวนี่ก็หมายถึงว่าอ่าถ้าเศรษฐีมันแย่เนี่ยนะเราก็อาจจะต้อง เรื่องการต้องวางแผนจัดการกับเรื่องการใช้เงินและการใช้เวลาให้มากขึ้นรวมทั้งบริหารความความอยากของเราด้วยการใช้เงินการจัดจ่ายใช้ใช้สอยเงินเนี่ยให้มันน้อยลงนะซึ่งเราต้อมาคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันเราต้องแยกนะฮะต้องรู้จักจากระดับความสําคัญนะว่าอะไรที่จําเป็นอะไรที่ไม่จําเป็นที่จริงตรอมาต้องแยกให้ชัดระหว่างสิ่งที่เราเรียกว่า ส, สิ่งที่จําเป็นกับสิ่งที่ต้องการสิ่งที่จําเป็นนะฮะสิ่งที่จำเป็นในชี้ิเนี่ยมันมีวันพอไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นที่อยู่เครื่องมืงห่มหรือผู้ให้สุดภัยสื่ออะไรที่มันจําเป็นเนี่ยมันมีวันพอแต่อะไรที่มันเป็นเรื่องความอยากนี่นะฮะมันไม่เคยพอนะฮะสิ่งที่จําเป็นจะพอจะมีวันพอแต่สิ่งที่อยากเนี่ยจะไม่เคยมีวันพอเลย คุณมีเงินหมืนล้านแสนล้านคุณก็ไม่เคยรู้สึกพอแต่แต่ที่ยังมีความอยากเพราะนอกจากสิ่งจําเป็นเนี่ยมันเพียงพอแล้วให้นึรามาดเชื่อการจัดสรรการการจัดสรรเงินเวลาใช้สอยเนี่ยมันยงมาถึงเรื่องของการจัดสรรหรือการบริหารความต้องการเรื่มตั้งแต่การจัดระดับความสําคัญและสามารถการระดับความสำคัญของสิ่งที่ที่ที่จะต้องซื้อหรือต้องใช้หรือต้องบริโภค อะไรที่สำคัญกว่าและก็ที่สำคัญคือเราสามารถที่จ ะ, ะให้ความสำคัญกับสิ่งที่จำเป็นมากกว่าสิ่งที่เราอยากสิ่งที่จำเป็นมันสำคัญกับสิ่งที่อยากอยู่แล้วตรงนี้เนี่ยมันก็โยนมาถึงที่ทางพุทธศาสนาเรียกว่าความถูกต้องกับความถูกใจสิ่งที่จำเป็นนั่นคือเรื่องความถูกต้อง เ, เรื่องอาหารเรื่องสุขภาพ เรื่องการศึกษาเรื่องครอบครัวนะฮะปัจจัยสี่นี่เป็นเรื่องความจาเป็นมันสือคาพถกต้องขอที่เราไม่สามารถจะขาดได้แต่สิ่งที่เราสิ่งที่เป็นปัญหาของคนเราคือเราให้ความสําคัญกับเรื่องที่เป็นเรื่องความอยากและตัวอย่างเรื่องความชอบใจหรือความถูกใจวัยรุ่นสมัยนี้เขามไม่สามารถที่ยวเขารู้สึกว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยคือสิ่งจําเป็น ไม่ใช่ว่าเลี้อ่งเดียวแม้กระทั่งครูครูสอนนักเรียนครูในสถาบันสมมติโยมมาอบรมที่วัดหาามหาธรรมาถามว่าอะไรคือสิ่งที่จำเป็นเขอกโทรศัพท์มือถือนะนันไมให้สิ่งที่จำเป็นนะฮะนะสิ่งจำเป็นมีมากกว่า น, นั้นเอถ้าเราไม่สามารถที่จะแ ย, แยกแยกระหว่างความอยากกับความจำเป็น หรือมีเส้นแบ่งหรือแยกแยะไดระหว่างความถูกต้องกับความสิดใจเนี่ยสมาธิว่าเรื่องการการปรับตัวการเตรีตัวในสายการที่คุณอยู่เนี่ยจะจะลําบากมากนะแล้วเมื่อเตรียมตัวแล้วเนี่ยนะก็ต้องเตรียมเตี่ยมใจแนละ้เปรียมใจการเตรียมใจให้ทําได้หลายอย่างเนี่ยสมาธิว่าโดยววานนีเเศรษฐกิจเนี่ยนะ ไอ้การที่เร า, าที่ลดความต้องการหรือเป็นหายความต้องการของเราเนี่ยสําคัญมากเลยตอนนี้เนี่ยถ้าเปลียบไปแล้วเนี่ย ส, สถานการณ์ของเราเนี่ยนะอาจจะเหมือนกับแก้วน้ําแก้วนี้นะซึ่งมันมีไนโอนวันน้ํำมันจะเกิดลดลงไปเรื่อยๆนะแตะก่อนเนี่่น้ํามันเต็มแก้วเมื่อสักสี่ห้าปีก่อนนะแต่ตอนนี้เนี่ยน้ํามันมีนม ทีเท่าเราจะลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆน้ำมันน้อยลงไปเรื่อยๆนะแต่มันน้อยมันน้อยถ้าหักมาอยู่ในแก้วนี้แต่ถ้าแก้วเล็กลงนะขนาดเท่านี้นี่ไอ้ที่น้อยนี่มันกลายเป็นมากน ะ, ะมันล้นเลยนะฮะเอาขึ้นหนึ่งของแก้วนี้นะมาใส่ไว้ในแก้วนี้เนะี่ยมันล้นนะฮะความมากหรือน้อยเนี่ย มันอยู่ที่ขนาดของแก้วชันใดประชันนั้ น, บบนความสุขหรือทุกข์ของคนเราเนี่ยขึ้นอยู่กับขนาดของความต้องการนะสิ่งที่น้อยมันกลายเป็นมากได้ทับเปลี่ยนขนาดของแก้วสุขหรือทุกข์ก็เหมือนกันนะถ้าเราลดระดับความต้องการลงไอ้สิ่งที่น้อยก็กลายเป็นมากนะเ ง, งียสองหมื่น นะจากเดิมที่เป็นที่เคยมีสามหมื่น 30, 000, เมื่อลดลงมาสองหมื่นมันอาจากลายเป็นมากขึ้นมาได้ไม่ใช่น้อยนะอาจากลายเป็นมากขึ้นมาได้ถ้าฝากต้องการเราเลดลงนะไอเราตลาดที่ว่าทุกวันนี้ในทางที่เราจะคิดถึงเรื่อง ก, การเพิ่มปริมาณน้ําในในแก้วเนี่ยเราลองคิดถึงขนาดของแก้วดูไหมว่า้ขนาดของแก้วนี่มันใหญ่จะยุติหรือจะทาให้แก้วเนี่ย ใช้แก้ที่เล็กลงไม่ใช่ที่เราคิดเรื่องการหาเงินให้มากขึ้นหรือการวดจักองกองเงินที่มันน้อยลงไปเราลองคิดถึงขนาดของความต้องการของเราว่ามันจะลดได้ไหมนะซึ่งกง็โยงกับที่เราจะมาพูดเมื่อกี้นี้เรื่องสิ่งที่เรื่องที่เราต้องแยกแยะระหว่างความจำเป็นความอยากอันนี้ลราความต้องการเนี่ยมันเป็นทุกข์หรือเปล่ามันไม่ได้ต้องทุกข์นะถึงแม้เราคน มีเงินน้อยลงมีทรัพย์สมบัติน้อยลงแต่ว่าอาตมาเชื่อคุนนี้ไม่จะเป็นต้องเป็นเรื่อ ง, องการฝืนใจในในความประสงค์หลายคนเนี่ยเมื่อคุณลดควาต้องการก็รว่ามีเงินน้อยลงเนี่ยมันคือความฝืนใจแล้วความฝืนใจคืความทุกข์แต่ว่าถ้าว่าเราสามารถที่จะหาความสุขอย่างอื่นมาทดแทนได้ หาความสุขอย่างอื่นมาทดแทนได้ความสุขนั้นเนี่ยมันไม่มีความสุขจากวัตถุอย่างเดียวความสุขจากวัตถุนีเป็นความสุขชั้น้นเท่านั้นเองแล้วเมื่อเรามีเงินน้อยลงเรามีความสุขอาจจะน้อยลงใช่ถ้าเป็นความสุขทางวัตถุแต่ถ้าหากว่าเราสามารถจะหาความสุขจากอื่นมาทดแทนได้มีความสุขอีกหลายอย่างที่ไม่ต้องใช่วัตถุ การที่เราได้คุยกัเพื่อนการที่เราได้มีเวลากับครอบครัวนะแม้แต่ลูกของเราซึ่งเขาอาจะเคยคิดว่าถ้าเขามีโทรศัพท์มือถือมีเงินมากมายเขาจะมีความสุขแต่ในวันที่เ้ามีเงินน้อยลงได้เงินจากน้อยลงจากพ่อหรือแม่แต่เขามีเวลากับพ่อแม่มากขึ้นอตมาที่เรื่องเขามีความสุขมากขึ้นแล้วก็งคิดหาความสุขทดแทนฮะ ต้องคิดหาความสุขอย่างอื่นมาทดแทนความสุขทางวัตถุซึ่งอาจจะลดน้อยลงไปซึ่งตรงนี้ไม่ใช่ทุกนะฮะแับกลายเป็นสุขยิ่งขึ้นเพราะความสุขอย่างอื่นเนี่ยมันมักจะเป็นหนี้และกระเสริฐกว่าความสุขจากวัตถุความสุขที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่งดงามความสุขที่อยู่ท่ามกลางครอบครัวได้พูดคุยได้สังสั่งกันได้มีเวลาให้กันและกันเพราะเวลากับความรักมันมาด้วยกันฮะ ความสุขเนื่องมาจากความรักมีต่อกันเน<ฮ>ี่ยมันวิเศษมันก็เกิดกว่าความสุขจากวัตถุเยอะอันนี้ไม่ใช่ไม่อย่าว่าแต่ลูกของเราแลยแน้กระทั่งเราเองก็คงจะประจักษ์ได้ว่าความสุขจากความรักมีต่อกันเนี่ยมันก็เกิดความสุขจากวัตถุความสุขจากการที่ได้เชวยอหรือเกื้อกูลกันความสุขจากการที่ได้ทําสมาธิภาวนาที่จิตใจสงบนะ เราจะมเชื่อมือเป็นโอกาสดีเลยฮะที่เราจะแสวงหาความสุขอย่างอื่นที่ประเสริฐกว่ามาทดแทนทำไมพระเนี่ถึงต้องมีทรัพสมบัติให้น้อยทําไมพระถึงไม่สามารถที่จะเข้าไปอไปมีเพศสัมพันธ์ได้เนะพราะอะไรฮนะไม่ใช่เพื่อขรมานตนแต่เพื่อที่จะทําให้พลังงานของพระเนี่ยถูกใช้ไปกับการหาความสุอย่างอื่นที่ประเสริฐกว่ามาทดแทนปัจาุัน ฟังเพลงดูหนังเพื่อเพื่อผับเพื่อบาวได้มันก็ไม่สนใจจะไปหาความสุขอย่างอื่นที่อยากจะมาทดแทนแต่พราะเขาไม่มีความสุขทางใามาสนองมากเท่าไหร่เนี่ยทำให้มีความจําเป็นเข้าไปหาความสุขที่ประเสริฐกว่ามาทดแทนแล้วพบฮะคนเราเนี่ยถ้าถ้าไม่มีถ้าไม่มีอะไรมาเป็นเงื่อนไขเนี่ยคนเราไม่คอยอยากจะไปหาความสุขอย่างอื่นมาทดแทนฮะ เพาะความสุขทางวัตถุหรือความสุขทางการเนี่ยลูกกระสินเสียงเนมันถางน่ายแต่มันไม่ยั่งยืนนะเอ๊ะถ้าเราเนี่ยลองใช้โอกาสนี้เน่หาความสุดอย่างอื่นมาทดแทนเราจะพบหรือว่าในการที่เรามีเงนน้อยลงมีวัตถุน้อยลงเนี่ยมันกลายเป็นเ่อเล็กน้อยไปเลยเพราะเรามีความสุดอย่างอื่นที่ดีกว่าระเกิดกว่ามาทดแทนเราจะเป็นอิสระจากความสุขทางวัตถุและเราจะเราจะได้พบความสุข ชีวเราจะร e ุ่งเรืองมากขึ้นแล้วเราจะรู้เลยว่าไอ้เงินเนี่ยมันไม่ได้ซื้อความสุขเงินทําได้มากแค่เช่าความสุขฮะเงินซื้อความสุขไม่ได้ทําได้มากแค่เข้าความสุขแลวของที่เช่ามาแล้วก็จ้าู่เลยจ้ะเยอะใชนะต้องคืนฮะมันไม่ยั่งยืนความสุขจะเงินเป็นความสุขที่เช่ามาไม่ใช่ซื้อนะถะาซื้อเป็นของเราแต่มันไม่เคยเป็นของเราเลยความสุขแต่วัตถุเนี่ยมันเป็นของเช่าเราได้มาเช่าเราแล้วเราก็ต้องคืนไป เมื่อเราคืนไปเราก็ว้ wow. เาเวแล้วก็ปิตใจก็แห้งผาแต่ถ้าหากเราหาความสุขอย่างอื่นเข้ามาทดแทนได้ความสุขที่เราเรียนใจเราจะยั่งยืนจิงดงามจะและปิตใจจะไปไปนี้มากขึ้นนะยุทธการที่สองนะฮะการเปลี่ยนใจคือหนึ่งลดความต้องการสองหาความสุขอย่างอื่นที่ไม่ต้องใช้เงนินมาทดแทนซึ่ง มันมักจะดีกว่าประเสริฐกว่านะฮะยปาาศาสมาธิว่าคงต้องเปลี่ยนมุมมองในการในการมองโลกในการมองชีวิตนะการเปลี่ยนมุมมองเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่จำเป็นเหมือนกันนะเพราะถ้าว่าเราเราสามารถเปลี่ยนเป็นมองได้เนี่ยนะเราจะเห็นความสุข อยู่รอบตัวเราเราจะเห็นความสุขอยู่ใกล้ตัวเราและเราจะพบว่ความสุขที่จริงอยู่ในตัวเรานั่นเองเขาเรีเปลี่ยนมุมมองให้เปนะ็ี่ยนยังไงนะฮะอาต่มาคิดว่าอย่างแรกเลยที่เราคุ้นกันดีเนี่ยก็คือการการมองในแง่ดีการมองในแง่ดีมนัมนแง่ดีไหมเขาบอกไงฮะ มันนี่ยูมันมีความมีสองความหมายในท่าซาสมนานนะอันที่หนึ่งคือว่าไอสิ่งที่มันแยกแยะเนี่ยมันมีแง่ดีของมันนะมันมีแง่ดีของมันอยู่ในตัวนะการที่คุณตกงานเ น, นี่ยแง่ดีตรงไหนคือว่าคุณได้มีโอกาสอยู่กับพ่อแน่มากขึ้นหลายคนตกงานก็เลยกลับไปต่างจังหวัดไปอยู่กับพ่อแน่แง่ดีของการตกงานคือได้มีเวลาอยู่กับพ่อแน่มากขึ้นได้ได้ได้ได ได้ตอบแทนบุญคุณของท่านมากขึ้นการที่คุณมีบ้านเล็กลงเนี่ยเนี่ยดีความันคืออะไรคือคุณเสียเวลาน้อยลงกับการดูแลรักษาทำความสะอาดเมื่อเสียเวลาท่านมากขึ้นการที่คุณมีเสื้อผ้าน้อยลงเนี่ยทําให้คุณสับสนน้อยลงเวลาจะออกงานใช่ไหมยิ่งสมัยนี้เสื้อเหลืองตัวเดียวก็พอแล้วนะฮะถ้ามีเสื้อหลายตัวอย่างหรือรงเท่าไหลาหลายคู่อย่างยินเดียดามาคอเนี่ยความสมบ่อยคู่นี่คุณสับสนนะฮะจะออกงานนี่ใช้ ใช้คู่ไหนดีนะถ้าคุณมีเงินมากเนี่ยนะเสาร์ทิตนี้จะไปลอนดอนมียอคหรือว่ามาเก๊าดีงงเงินฮะเขียนให้ตกพ่อแม่ลูกเขียนกันแต่เพราะมีเงินเนี่ยไม่มีเงินมากลงเนี้ยมันมันง่ายนะไม่คือง่ายดีของมันนะซึ่งอาตมาเชื่อเราเราลองเราลองมองเราลองมองให้ดูลองเรามองให้ดีเดนี่ยนะเราเจอหรือว่า ก็้สิ่งที่มันไอ้การที่มันยอกแยบยอกแยบเนี่ยมันมีง่ายดีอะไรบ้างหลายคนพบว่าเมื่อเตียงล้มละลายเมื่อเตียงเป็นนี่นมันเป็นโอกาสที่เขาได้มาคนพบธรรมะหลายคนที่เรารู้จักกันเดีอย่างเช่นคนสิทิน่าแล้วนภะทะลุนีุนซึ่งเฉินเฉินทิชีก็เป็นตัวอย่างอันมึงของคนขึ้นอ่งได้ พบธรรมะเพราะว่าอาชีวิตอ่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจถึงขั้นเป็นหนี้สิหลายสิบลานนะบาป็นป่วยแต่ความที่การที่คุณป่วยมันก็ดีมีข้อดีคือทาให้คุณได้พักทำให้คุณได้พักมากขึ้นเด็ี่ายสิบสองบอกว่าเขาดีความสุข ม, มากที่สุดในชีวิตเมืเ่อเขาป่วยเพราะว่าเป็นโอกาสที่ทำให้เขาได้อยู่ใกล้ที่กับพ่อแม่ พ, พ่อแม่ลา ง, งานมาอยู่กับเขามันอยู่ที่โรงพยาบาลเขาก็เป็นมะเร็งนะแต่ตอนพ่อแ ม, ม่มีเวลาฮะก็อย่างที่เรารู้จัก ก, กันดีนะฮะต่างคนต่างไปทํางนานลูกก็รู้สึกว่าเีวยจะพอ พ, อพ่อแม่ลา ง, งานมาอยู่กับลูกรู้สึกมีความสุขมากเลย ท, ทั้งี่ตัวมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้นานนี่คือการมองแง่ดี าการมองให้เห็นแง่ดีจากสิ่งซึ่งดูเหมือนแย่แล้วถ้ามองไม่เห็นเลยนะฮะมันก็มีอย่างหนึ่งที่ดีคือมันดีที่มันไม่แย่กว่านี้อ่ะว่า ม, มันดีที่มันไม่แย่ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยก็เคยมีมีเรื่องเลยพระตรปิฎกนะฮะว่าพระคุณธนาเนี่ยจะไปจะไปเมืองสุนาปันตะ พระพุทธเ้าก็ทักว่ามรุนณปันต า, า, านี่คนที่นัโหดร้ายนะทักเขาด่าท่านท่านต่ว่ายังไงแล้วคุณน้าก็ตอบว่าทักเขาด่าก็ยังดีนะเพราะว่าดีกว่าเขาเอามือมาตีแล้วพุทเจ้าก็ถามต่อไปว่าแล้วถ้าเขาเอามือมาตีท่านท่านจะว่ายังไงท่าคุณน้าก็ตอบว่าชาวมุนปันต า, านี้ยังดีนะนะที่ไม่เอาข้อหินมาคว้างแล้วท่าเขาก็หินมาฟ้างเห ท่านจะาหวไหมผู้เจ้าถามแล้วคุณนัก็ตว่าชาวสนณาปาัญญาดีดีจริงหนาะยังไม่เอาม้าออกฟ้าด <_ s up> แล้วถ้าก็ไม้อาฟาอล่ะท่านาคุณนัก็ตว่าชาวคุณาประญานดีดีหนอที่ไม่เอาของแหลมมาแทงแล้วถ้าเอาของแหลมมาแทงล่ะท่าคุณนักก็ตอบชาวคุณาประญานดีดีหนอที่ไม่มาฆ่าให้ตายตอนนี้ผูเ้เจ้าประชาราษฎร์ท้าแล้วเข้า้าฆ่าท่านให้ตาย ท่านจะไหวอย่างไรท่านจะคิดอย่างไรพระพุทธเจ้าว่าถ้าเขาค่ายตายก็ยังดีเพราะว่าคนบางคนไม่อยากจะตายต้ไปหาอาบุธไปหายีดมาแต่นี่พระองค์นี้ไม่ไม่ต้องทําเลยมีคนมาทําให้คือเนี่ยคือท่านมองแบบเนี้ยคือมองว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านเนี่ยถึงมันแย่มันก็ยังมันก็ยังดีที่ไหนไม่แย่กว่านี้ถึงมีบางคนบอกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราดีเสมอนะมีมีหนักสือเล่มหนึ่งเนี่ย สิ่งทีเกิดขึ้กลังดีเสมอมันดีฮะคือมันดีที่มันไม่แย่ยกว่า น, นี้นะฮะอย่างน้อยอย่างน้อยที่สุดเลยนะแล้วมองยังไตอนนี้ที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยเกิดสี่มันแย่และสิ่งแต่มันเชื่อกับปี40ไม่ได้ยใช่ไหมฮะเราเคยผ่านปี40มาแล้วและอะไรที่ทําให้เราคิดว่าเราจะผ่านไอ้ปี50หรือ51ไม่ได้อาแต่มาเชื่อว่าเราทําได้แน่นอนนะ ก็นี่นี่คือการมองแง่ดีคือการมองเห็นอีกด้านนึงของสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งดูเหมือนแย่แต่มันมีดีมองอีกแง่ดีมีอีกความหมายีคือการมองว่าไอสิ่งที่มันแย่แต่จริงแต่ว่าสิ่งที่ดีอย่างอื่นก็ยังมีนะฮะถึงแม้เศรษิจตกตกสักเดือนนะถึงแม้เงินจะเงินจะมีน้อยลง แต่เราเห็นอะไรบ้างรึเป่าวว่าชีวิตเราไม่มีอะไรที่ดีขึ้นบ้างหรือเรายังมีอะไรดีๆในชีวิตบ้างเงินอะาจจะได้น้อยลงแต่สุขภาพเราก็ยังดีเรายังมีครอบครัวยังมีลูกเรายังมีพ่อแม่นะเรายังมีหลายอย่างที่ยังดีๆอยูนะ่แต่เราบางคนเราไม่ใส่ใจเราไปจดจ่อ อยู่แสิ่งที่มันไม่ดีก็ทำให้เราสึกแ ย, นะเย่เคยมีคยมมเคยมีครูเนี่ยก็ถามเขาเอากระดาษเนี่ยถามนักเรียนในว่า น, นักเรียนเห็นอะไรบ้างไม่เห้ท่านบอกเห็นจากกระาดาษบุญท้ายฮนะบุญกรายอาตมามันเ้ท่านไมไนเห็นเลยครูก็เลยถามว่าเ้าเคยไม่เห็น คือข่ามขาวของกระดาษเลยเหรอทุกวันนี้ที่เราคือเพราะเราเป็นมองแต่ตรงนี้หรือเปล่าฮะไอสิ่งที่มันเป็นรอยด่างหรือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ผิดปกติเราไม่เห็นขีดขาวงกระดาษเลยเป็นเพราะมันปกติเกินไปใช่หรือเปล่านะเรามองเราประการที่เราใช้หรือเปล่าแกล้งติดคือเราเห็นว่าไอสิ่งที่มันไอสิ่งที่มันไอเรื่องสุขภาพเรื่องการมี การกินอิ่มนอนอุ่นการมีพ่อมีแม่เป็นเรื่องธรรมดาในชีวิ ต, ตเพราะฉะนั้นเม่อ เ, เราเศรษฐกิจตกต่ำเราเการเป็นเรื่องเกิดปัญหาขึ้นมาแต่นั้นเราการําลังกําลังมองข้ามความสําคัญของสิ่งนั้นไปหรือเปล่าและช่วงคนรานทั้งวันนี้เราไปอยู่กับตรงนี้นะเราไม่ได้มองเราไม่ได้ความสําคัญในตรงนี้นะราะงนั้นที่เมื่อใดก็ตามที่มเราขาดมันเราแย่แล้วไม่ไเคยจะเลือกอากาศเป็นสิ่งสําคัญนะ เพราะว่าเราเรู้สึกว่ามันคือสิทธิของเราที่ได้อากาศที่บริสุทธิ์เราไม่เคยเรู้สึกว่าการที่พ่อแม่อยู่กับเราเป็นเรื่องสําคัญมากเท่าไหร่เพราะเราคิดว่าเราที่ได้ด้เรื่องที่ท่านจะอยู่กับเราไปจนตลอดชีวิตแต่นั่นคือความประมาเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่ท่านจากไปเมื่อใดก็ตามที่อากาศมาเริ่มมันเริ่มหมดไปเราจะมีความทุกข์เาจะมาได้อาจจตอ่านเรื่องราวของ พระลูกเน่ซึ่งเพื่อหลายท่านอาจจะได้อ่านเพาเป็นหนังที่มีชื่อนะฮะส่วนมวนชื่มม น, นมีใครได้อ่านนะฮะชวนมวนชื่อท่านพูดถึงถ้าเป็นพระออสเตรเลียนะฮะลูกศิษย์หลงประชาท่านคือท่ทานต้องสร้างวัดเองแล้วก็ท่านเนี่ยสร้างกำแพงสร้างกำแพงต้องก่ออีกเองก่ออีกกิกร ก, กรรมกิรกรรมท่านทําอย่างป น, นี้นะเพราะท่านมีเวลาทระนี่มีเวลาฮะไม่ต้องรีบท่านทำจนกระทั่งเป็นกําแพงขึ้นมา แต่ถ้าท่านเจอว่ามันมีอีกสองก้อนที่มันไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่มันเอียงมันมันไม่รับเป็นมุมกันแต่ถึงตอนนั้นมันสายไปเส้นแล้วเพราะว่าตัเนี้มันเริ่มแข็งทําอะไรไม่ได้แล้วท่านขอขอเจ้าว่าดบ่าวขอทิ้งทิ้นไน้ไหมเจ้าวาดไม่ยอมตลอกตอนนั้นขึ้นอยากจะระเบิดมันได้ซ้ําเพราะมันไม่สวยเลยไอ้สองก้อนนั่นแหละแล้วทุกครั้งที่ท่านเดินผ่านผ่านกําแพงนั้นเนียท่านจะมีความทุกข์มาก พอท่านเห็นไอ้สองก้อนนี่มันไสวยตัมตาท่านอยู่ตลอดเวลาแล้วคราวนึงเนี่ยก็มีโยมเนี่ยมาเยี่ยมวัดแล้วท่านก็พาเยี่ยมนะก็ผ่านศาลาไอ้ผ่านผ่านกำแพงเนี่ยท่านก็ยิ่เดินผ่านยิ่งเร็นะฮะแต่พรากฏว่าโยมเนี่ยเพูดขึ้นมาว่าไอ้กำแพงนี่สวยนะท่านก็ตกเงยเลยนะท่านก็ถาคุณเห็นสองก้อนไหม่ะโยมคุณเห็นสองก้อนเหรอเขาบอกผมเห็นครับ แต่เก้แล้วก็จะแต่ก้อนที่มันสวยนะครับท่านบอกท่านได้คิดเลยนะว่าไอ้ที่ทุกวันนี้ที่ท่านเป็นทุกกับกำแพงเพราะท่านไปจดจ่ออยู่ไอสองก้อนแต่ท่านมองไม่เห็นไอ้กแล้วก็เก้าเก้าร้อเก้าสิบแปดก้อนที่มันสวยแล้วบางทีชีวิคนเราเนี่ยที่เรามีความไม่พอใจกับสภาวะที่เป็นอยู่เนี่ยเป็นเพราะว่าเราไปเราไปจดจ่ออยู่กับไอ้สิ่งที่มันไม่เปิดเสร็จที่มันไม่สมบูรณ์ที่มันไม่ที่มันไม่นดงามที่มันไม่เป็นไปตามใจเรา แต่เราลืมเราลืมมองเราไม่ให้ความสําคัญกับสิ่งที่มันสวยงามเพราะฉะนั้นเนี่ยการมองเนี่ยดีในความหมายที่สอ ง, อ ง, งนี่คือตรงเนี้ยคือมันไม่สวยก็จริงนะแต่ว่าไอ้ส่วนอื่นเนี่ยมันสวยแล้วส่วนที่มันสวยมันดะีมากกว่าส่วนที่มันไม่สวยนะเวลาเงินเราหายเนี่ยร้อยบาทเราทุกนะไม่ทุกแนตะ่ถ้าพันบาทหายทุกนะฮะ นะที่ตาก็ตุกเลนะเราเลแต่เราเลืมไปหรือปล่ลาว่านกระเป๋าเราเนีมีเป็นพันมีเป็นหมื่นใช่ไมไม่มีนะอ๋อมีมมม ATM เอเอนี่ย ม, ม, มีกระดิการ์นนะคือเนี่ยลองเวลาเงินหายเนี่ยเราทุกเขาว่าเราจะไปติดตออยู่กับเออเง น, เนที่หายแต่เราไม่ได้มองเออเงินอีกมากมายหลายหลายร้อยหลายพันเท่าที่เรามีนะฮะ แล้วเราสังเกตนคนลราเนี่ยทุกข์เพราะเราไปให้ความสนใจกับสิ่งที่เราไม่มีหรือสิ่งที่หายไปมากกว่าที่จะให้ความสําคัญกับสิ่งที่เรามีพอลองเปลี่ยนมุมมองนะฮจากไอ้ไอไอไอกากระบาดเนี่ยนะมาที่แผ่นกระดาษสีขาวหรือเปลี่ยนมุมมองแทนที่จะจอดจอดจ อ, จ อ, อยอู่กับอีกสองก้อนเนี่ยมาจอดจ อ, อยกับอีกที่เหลืออีกเก้าล้านกว่าก้อนเนี่ยอาจมาเชื่อเราจะรู้สึกดีขึ้นเยอกับชีวิต นะหาลองมองให้เห็นนะฮะมันอยู่ใกล้ตัวเรานี่เองแล้วมันอยู่กับเรานี่เองเช่สนสุขภาพความรู้วิหายเพื่อนนะฮะ่งของเหล่านี้เนี่ยมันไม่มีทางที่ใครจะไปได้ง่ายเหมือนกับเงินหรือว่าวัตถุนะเราเชื่อเชื่อตรงนี้เนี่ยสําคัญเคนที่บางคนก็จะบอกว่ า, วานีชีวิตท่านเนี่ยนะ บางทีมันอาจจะเป็นอย่างเนี้โอ้โหมันขึ้นไปหมดเลยอันนี้เนี่ยนี่สีขามันเยอะมากมากกว่าะกะบาดนะฮะแต่นี่มันขึ้นไปหมดเลยแต่คุณลองมองดีนะไอ้ส่วนที่ขาวมันยังมีอยู่นะตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีนะลองมองให้เห็ตรงที่จุดที่ขาวอยู่บ้างมันก็เป็นไปได้มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรืนะ่องจริงนะฮะ ที่แอฟริกาใต้นี่มันมเกาะเกาะหนึ่งชื่อเกาะร็อบเดนเการ็อบเดนเนี่ยเป็นเกาะซึ่งในลสันเบนเดล่าพวเรารู้จักนะฮะเป็นอดีตประธานาธิดีแอฟริกาใต้นลสันเบนเล่ากับพูกเนี่ยติดคุกที่นั่นเพราะเนลสันเบนเดล่าติดที่นั่นยี่สิบห้าปีอาจจะมากกวอายุคนบางคนในที่นี้ด้วยนะยี่สิบห้าปีนะะมันหนึ่งเจเนเรชั่นหนึ่งชั่วอายุคนแต่ที่มันแย่พอๆกันก็คือว่า ทุกวันเนี่ยเขาถูกเทอมานแนวสัรได้รับก็บเพื่อนถูกเทอรมาถูกทารุนกรรมจากผู้คุมไม่แย้งแต่ละวันถูกทาลุจิตก็ถูกผักให้เขาไปอยู่ในห้องที่อุดอู้จน่งเนี้ยไม่ใช่แค่นหนึ่งวันไม่ใช่แค่นหนึ่งเดือนนะฮะยี่สิบห้าปีจบเนวสันเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยอย่างที่เราทราบนะ แอฟริกาใต้เปลี่ยนแปลงไปในซัมเบเดลอากจากคุกมาขณะที่โดยที่ไฟเนี่ยยังไม่ยังคุกโชนอยู่ไม่เคยดับเลยทั้งน้นที่ติดคุกมา25ปีแล้วเขากลายเป็นประธาทิพเดียแอฟริกาใตา้และเปลี่ยนประเทศเขาเนี่ยให้กลายเป็นประเทศซึ่งคนดำเนี่ยสามารถยือดอกได้อย่างเป็นภาคภูมิตอนนี้เกาะรัปเปนเนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเล้ายๆกับปาระสเอาละครกบรัปเป็นคนไปเยอะมาก ไกด์คือถึงขายไกด์ก็คือนักอดีตนักโทษในเกาะ น, นั้นอดีตนักโทษเนเวลาก็าพานะครับเชื่อไปชมตามห้อ ง, งตา่างๆเขาจะบอกว่าเนี่ยมีการเพิ่มมายัางไงบ้างคนนักท่องเที่ยวฟังแล้วก็หดหูนะฮะหดหูแต่ว่าพอถึงห้องเลยเนี่ยนักท่องเที่ยวก็รู้สึกใจชื้นที่มายิ้มได้ไกยายคนนั้นเขาบอกนะห้องนี้ฮะที่พวกเราเนี่ยเวลาเรารู้สึกท้อแท้นะ เราจะมาหัดสอนเตนลีลา่าจังโอ้โหขนาดถูกทรมาณแทบตายยังมีอารมณ์เต้นลิลา่าเนีฮะแต่เขาบอกต้องเต้นฮะเพราะว่า น, นี่คือสิ่งน้อ ย, อยสิ่งที่ทําให้เขาเนี่ยมีความสุขและมีความหวังที่จะอยู่ได้คือตัวอย่างนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างของคนที่ตัวอย่างของความจริงที่ว่าแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นนรกนะฮะมันยังมีมุมของความสุข มือนสวงสวรรค์เลยฮะมัาเต้นเรล่าที่แล้วก็มีความสุขนะขนาดในนรกนี่มาไม่เห็นนรกหมดนะฮะมันมีมุมที่เป็นสวงสวรรค์อยู่เป็นมุมที่มีความสุขที่คุณได้ลื่นเริงบันเทิงใจกันนะมันไม่อยู่ปัญหาเรื่องคุณจะเห็นหรือเปล่านะหรือถ้าถิ่นแม่ของคุณต้องหา้พบหรือสร้างมันขึ้นมาอย่างที่นักโทษเหล่านี้เขาสร้างขึ้นมานรกก็เป็นนรกเถอะแตสร้างขึ้นมาว่าตรงห้องนี้ตรงเมุมนี้ตรงเวลานี้ มันคือสวรรค์นะและในกรณีนี้ทำให้คนเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะผ่านความเวลวร้ายไม่ว่ามันจะนานห้าปีสิบปีสิบห้าปีหรือยี่สิบห้าปีออกมาได้อย่างเป็นคนฮรไม่ใช่เป็นสัตว์เพราะว่าจิตวิญญาคนเราเนี่ยมันสามารถที่จะยกจิตให้อยู่เหนือความทุกข์ได้ยกจิตให้อยู่เหนือความความควา ม, ความความความทรมารได้ มีคนก็ตื่นตื่นสนใจไล้วว่าทุททกเวทนานี่ยเป็นของจริงนะฮะแต่ทุกทรมานี่เราคิดขึ้นมาเองทุกคุเวทนาจะเป็นของจริงแต่ทุกทรมานนี้เป็นสิ่งที่เราคิดขึ้นมาเองอและนี้ห่คือสิ่งที่พระรูปที่ท่านท่านเล่าเรื่องอีกสองก้อนท่านบอกว่าสิ่งที่ยากที่สุดในชีวของเราเนี่ยคือความคิดฮะ อะไรแล้วนี่เป็นเรื่องง่ายแต่มันยากเพราะความคิดท่านเข็นอีกเนี่ยเข็นอีกนี่ไม่ยากเลยฮะแต่ตอนรู้สึกว่าทําไมฉันต้องมาเข็นอีกด้วยทําไมคุณถึงไม่ทำทำไมถึต้องมาทําไอ้ความคิดแบบนี้มันทําให้อีกนี่การเปนของหนักนะแต่พอเรายกเอาความคิดตรงนี้ออกไปนีมันเบาฮะ คือหอตมานี่ เ, เป็นพระเซนชาวอเมริกันท่านเล่าถึงประสบการณ์ตอนสร้างวัดเซนใหม่แห่งแรกในประเทศอเมริกาเมื่อสมัยพัน0กอหกสิบอาจารย์ของอาจารย์ท่านเนี่ยเป็นชาวญี่ปุ่นนะชื่อชุดเดียวสุรุิตอนที่มา เ, มเริ่มเลิกสร้างวัดในอเมริกาเนี่ยนะ ต้องมาสร้างวัดเองแล้ววัดวัดญี่ปุ่นเนี่ยก็รู้อยู่แล้ ว, ว่าต้องใช้หินใช้หินไม่ใช้ไม้ลูกศิษย์ก็มาช่วยลูกศิษย์ก็เป็นคนอเมริกันเป็นวัยรุ่หนหนุ่มสาวบุพเาชนฮครุ่น่ะเป็นลูกฮิปปี้ยี่สิบกว่าช่วยขนหินนะลูกศิษย์ขนหินได้ครึ่งวันเหนื่อยแต่อาจารย์ิขนได้ทั้งวัน อาจารย์ยี่หกศึกนะฮะเป็นญี่ปุ่นตัวเล็กเล็กลูกศิก็สงารอาจารย์พัน ท, ที้งไนทั้งวันอาจารย์ก็บอกก็ผมพักตลอดเวลาผมพักตลอดเวลาพักอะไรลูกสึษก็เห็นอาจารย์ขนหินถ้าอาตมาอาจารย์าารยไม่ได้สอนนะอาจาถ้าอาตมาอธิบายคือว่าท่านขนหินก็จริงไงแต่คนเห็น แ, ต, แต่ตัวฮะแต่ใจไม่ได้ขนด้วย เวลาเราส่วนให้่ขนเราขนเราไม่ขนแต่ตัวกายลราขนเด้่ยทำไมต้องขนว่าไม่ไหวแล้วเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีหนักเหลือเกินทนไม่ไหวแล้วเนี่ยนะไอต้ตรงนี้มันทําให้การขนญิงใจเป็นเรื่องหนักยิ่งกว่าเดิมนะแต่อาจารย์ชื่ลี้งถ้าเป็นคาเซนท่านต่อยวางเลยนะมีสติอยู่กับปัจจุบันนะเพรนั้นขนแต่ตัวจกายไม่ขนด้วยนะะ ใจเพียงแต่รู้ว่ากําลังขนอยู่ขนได้ทั้งวันนะเพราะเนี่ ย, น, น, น, ยนี่สงที่ท่านพระอะพระชาวออสเตรเลียที่ท่านบอกนในชื่อของเราในสิ่งที่ย้ายถึกนี่คือความคินในตึ้งเลยนะเพราะฉะนั้นแต่ตมาที่ว่าไอ้าการานที่เป็นอยู่เนี่ยนะมันไม่ยากหรอกฮะแต่ความคิดของเราต่างหากที่ทําให้มันยากการที่เรามีเงินน้อยลง มันไม่ใช่เป็นเรื่องยากแต่ความคิดที่เอาแต่บนหรือรู้สึกผิดหวังหรือรู้สึกว่ามันไม่ น, น่ามันไม่ใช่มันไม่ควรมันไม่น่าจะเป็นตรงนี้แหละที่มันทําให้ชีวิตเราในสภาพสภาพปัจจุบันมีนกลายเป็นเรื่องยากขึ้นมานี่ธรามาก็พูดนะเรื่องมองแง่ดีนะฮะ ถ้าให้มองแง่ดีเนี่ยถ้าเราถ้าเราถ้าเรามองให้ดีๆนะไอ้สิ่งที่มันเป็นปัญหาเนี่ยมันกลายเป็นโอกาสอยู่เสมอเราจำได้นะฮะเมื่อสมัยที่น้ำมันแพงเมื่อสักสามสิบปีก่อนใครใก็บน่นว่าน้ำมันแพงมันแย่แต่เสร็จแล้วท่วประเทศในโลกก็รอดมาได้และสิ่งที่เกิดขึ้นผลผลิตจาก วิกฤตการน้ํามันแพงเนี่ยคืออะไรอย่างหนึ่งก็คือการที่เรามีเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพใช้น้ํามันน้อยสมัยก่อนเครื่องจักรเนี่ยโอ้โหมันกินน้ำมันมากเลยเครื่องยนต์เนี้ยแต่หลังจากที่เกิดเศรษฐกิจวิกฤตโดยเฉพาะน้ํามันแพงปีหนึ่งหกแล้วก็ขึ้นมาเป็นลําดับเครื่องยนต์มีประสิทธิภาพมากขึ้นใช้น้ํามันน้อยแต่เล่นได้ระยะทางไกลกว่าเดิม เอาแต่มาเชื่อเลนะฮะไอ้เศรษฐกิจที่เป็นอยู่ตอนนี้ที่มันกตกต่ำเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตเราเป็นชีวิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นคือเศษน้อยแต่มีฉุกมากเศษน้อยแะุ่กมากมเมื่อนเครื่องยนต์สมัยนี้ที่มันใช้น้ำมันน้อยแต่มันมีประสิทธิภาพมากเดินทางไกลยิ่งกว่าเดิมเอาแต่มาเชื่อเลยนว่าทุกคนเนี่ย ถ้าผ่านเตการณนี้มาได้เนี่ยเราจะมีชีวิตที่มีประสิทธิภาพใช้น้อยเสด็จน้อยแต่มีความสุดยิ่งกระเดิมครนี้เนี่ยถ้ามองให้ดีเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเริ่มที่จะเห็นโชคจากเคราะห์ได้สิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นเคราะห์เคราะห์เคราะห์เนี่ยมันคือโชคพวกเราหลายท่านคงจะรู้จักฟิล์มจ็อนะฮะฟิล์คนที่พิทไ iPod นะีจ๊อกนี่ก่อนหน้ีน้เขาดังมาจากที่การที่เขาผลิตของผลิตแอปเปิลความพิต์เยอะแอปเปิลที่นองมิติเยอะไม่กินทอสแอปเปิลเนี่ยเป็นเหมือนซีจ๊อกกับวอชเน็ตซีตินทอสเนี่ยกับซีจอ๊อกแต่คนนี้ชิบมีชิบเหมือนกับคบบล้ายๆกับบือเกตหรือไม่จบเหมาเะไรนะแต่เข้าไป็นโรสแอนทอร์ Stanford. สองคนนี้บือเกตจบเอ้าเวิ ซูชอปเนี่ยเขาสร้างแอปเปิลับมือแล้วเมื่อมันกลายเป็นบริษัทหมหาชนเขาก็เป็นซีโอแล้วมันดึคนดีเขาถูกไล่ออกถูกไล่ออกจากบริษัของตัวเองที่เขาสร้างขึ้นมากับมือคุณคิดว่ามันทั้งใจขนามไหนนะแต่ว่าหลังนั้นเนี่ยเขาก็ได้สร้างบริษัทพึกษาพึกษานี่รู้จักช่ฮะแล้วมักมันถือรู้จักดีสร้างแอนิเมชันเช่นพอยสตอรีร่ออต่างๆนะแล้วเขาก็ตนนําลังนเขาก็มามา กาับมาที่แอปเปแล้วก็ชคิ i p อพอตขึ้นมาเขาผู้ประสบการณ์ตอนที่เขาอยู่ที่พิคซานะฮะว่าการที่เขาออกจากแอปเปิลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาสิ่งหนึ่งแต่ตอนนั้นเข า, มาไม่ได้เห็นนะแต่เมื่อเขาถุกไล่ออกมาเนี่ยเขาบอกว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาเพราะมันทำให้เขาได้มีสัะที่จะคิดค้นสร้างสารคสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเพราะถ้าอยู่ที่แอปเปิลเนี่ยก็คิดแต่เรื่องคอมพิวเตอร์นะ แล้วพอเขาเอาใจอักตมั้นเขาคิดอะไรได้หลายอย่างเขาไม่เขาลองผิดลองถูกอะไรได้มากมายเพราะว่าเขาเริ่มต้นใหม่เมื่อคุณเริ่มต้นใหม่คุณมีศิษย์ล้มเหลวได้โดยที่ไม่มีใครว่าอะไรถ้าคุณไปถ้าคุณมีความสำเร็จประมาณสำุร็จพอสมควรเี่ยคุณล้มเหลวไม่ได้นะฮะแต่ถ้าคุณเริ่มต้นใหม่คุณล้มเหลวได้ในการที่คุณหางานใหม่นี้มีข้อดีตรงนี้คือคุณมีสิษย์ที่จะทําอะไรใหม่ๆได้แล้วเขาก็สร้างศึกษาขึ้นมาแล้วก็เป็นบริษัทที่ใหญ่ ทำให้เขาสบายกลับมาสู่ I ไอ o d เขาบอกเนี่ยการที่เขาตกานกานเนี่ยสุขเร้าเนี่ยคือสิ่งที่รุนแรงอยู่ในชีวิตของเขานี่คือคนที่เขาท้่จักหาโชคจับเคราะ์มีคนหนึงฮะป่วยเป็นโรคหัวใจขณะที่กำลังจะหยาจากภรรยาเขาอายหกสิกว่าแล้วแล้วเขาก็พยายามกินอาหารสุขภาพนะกินอาหารตามที่ใครๆแนะ น, นํา แต่ชีวิตเขาไม่ดีขึ้นเลยนะโรคภายเขาไ่ด้ขึ้นเท่าไหร่แล้ววันนี้ก็ต้องอ่านงานวิจัยบอกว่าคนที่มีชีวอย่างอ้างว้างโดดเดียวไม่มีสัมพันธภาพกับใครเียโอกาสที่จะเป็นโรคหัวใจเนี่ยสีเท่ากว่าคนปกติพอเขาอ่างนี้เขาบอกมันเหมือนเขาเลยเขาคิดเขานี่ยเป็นชีิตอ้างวังเขาไม่มีครเขาอยากอยากขาดกับภรรยาเขาเก็บตัวไม่สัมผสกับใครเขารู้ตรนี้เนี่ยเขาก็เลิดยามที่จะออกไปสําหัสกับผู้คนไปทํางาน อาสาสมัคไปช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคมต่างๆเขามีงินอยู่แล้วนะฮะเขาบอกว่าเขาทาได้แค่ปีกว่าๆชีวิตก็ดีขึ้นสุขภาพก็ดีขึ้นไม่ใช่แค่สุขภาพดีขึ้นเดียวสุขภาพจิตก็ดีขึ้นด้วยเอาหัวใจเขาปวดรักสิ่งต่างๆหัวใจเขาปวดรักผู้คนมากขึ้นเขาไม่ได้หายจากโรคหัวใจอย่างเดียวแต่เขาหายจากไอความคึกด้วยในจิตใจความเหงาคนที่กำลังใจที่เขาบอกว่าอาการที่เขาเป็นโรคหัวใจเป็นสิ่งที่ร้ายท่สุดในชีวิตของเขา นี่เป็นตัวอย่างกที่เขาหาโชคกับเคราะห์ได้ที่งจะมาเชื่อถ้าเราพยายามมองเห็นไหมว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือโชคที่แสงมาในรูปของเคราะห์มันไม่ใช่คเคราะห์โดยแท้แต่มันคือโชคที่แสงมาในรูปของเคราะห์มันคือโชขที่แสงมาในรูปของทุกข์หน้าที่ของเราคือหาสุขให้เจอในท่ามกลางทุกข์และสิ่งที่แท้ทางเราคือหา โคให้เจอทางกลางเพราะนะเราที่เนี่ยคือคือสิ่งที่เอ่อเราสามารถสังเคราะห์ได้จักการที่เราเอ่อหัดมองสิ่งต่างๆในง่ายดีแล้วประการต่อมาขึ่งโยงยกันนะคือคือการหัดเชื่อมชมสิ่งดีๆที่เรามีอันนี้ก็คล้ายกับคล้ายกับ น, นี่นะคือว่า เราต้องรู้จักหาสิ่งดีที่เรามีไม่ให้ติดตออยู่ตัวกากบาทนี้แต่ติดต่ออย่างอสีขาวกระดาษชื่มสิ่งดีที่เรามีที่มันมีอยู่มากมายแต่ที่เราไม่กคยมีมีมีความรู้สึกตรงนี้นะฮะอาตมาใช้เป็ตัวอย่างนะฮะเครื่อง i p ค d ก็ได้เครื่องไอ a ิดเครื่องาคาสองหมื่นมีรุ่นใหม่ออกมาราคาสองมื่นคุณก็พยายามติดต่อหาข้อมูลจากกูเกิลจนกรทั่งพบ ที่ที่ขาขายพุกเกอร์ได้ราคาหมื0นห้าคุณจะซื้อมาแล้วคุณก็มีความสุขมากสองหนคุณซื้อได้หมื0นห้าและะ้วเมื่อคุณกลับมาบ้านเนี่ยคุณพบว่าเพื่อนคุณก็ซื้อได้หมื0นหนึ่งคุณรู้สึกยังไงฮะแต่ที่เคยดีใจให้คุณปันดีใจอยู่ไปอีกหรือเปล่า เวลาเราไปซื้อของไปซูวีเนียไปซื้อไปซื้อใหม่คุณไปซื้อตูวีเนียคุณต่อแล้วต่ออีกเนี่ยห้าร้อยคุณต่อได้แค่สามร้อยคุณกลับมาที่โรงงานแล้วพบว่าเพื่อนก็ซื้อได้สองร้อยคุณรู้สึกยังไงอะไรทั้งน้นคุณไม่ดีใจนะพราะนี้คุณซื้อได้ถูกกว่าที่ที่ที่ที่เขาเติดราคาไว้แล้วคุณซื้อได้ถูกกว่าคนอื่นเดียวซูวอเนียก็ซื้อได้สี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบวันซื้อตูคุณได้บอลนะแสนหนึ่ง มีความสุขน้อยเดใชะนะ่ฮะอ่ะสามแสนสามแสนได้าปนับสามแสนดีใจนะฮะแต่ถ้าร่วงเพื่อนได้ห้าแสนรู้สึกไหมอะไรทำให้เราคุกฮนะอะไรทำให้เราคุกเพราะเป็นมองคนอื่นในชะ่ไหมทำไมเราไม่ขึ้นทางสิ่งที่มีเราะนั่มคืสิ่งี่เร า, ามีนี้มันก็ดีมันก็ มากมันก็เยอะมันจะเสริฐด้วยนเะนี่ยตอนที่บอกนะเราเนี่ยทุกเพราะไปสนใจกับสิ่งที่เราไม่มีหรือสิ่งที่หายไปมากกว่าสิ่งที่เรามีถ้าเราหาความสนใจอะไรนี้มาเจ็บเจอูอยู่กับสิ่งที่เรามีเราจะพบเราจะมีความสุขึ้นเยอะฮใครก็จะซื้อไอพอดได้หมื่นี่ก็ช่างเขาไอพอดของชั้นหมื่น 5. ขอการฟังให้มันทุ่มชื่นใจหน่อยและตราบเทศศ่าเศรษฐกิจขาลงมันดีนะฮะอาตมาจะเล่าเรื่องของคนหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงนะแต่ว่ามันโยงมันได้อาจารย์ประมวลเชนจันเนี่ยจะเป็นอาจารย์ที่ที่เชียงใหม่แล้ววันดีคุณดีฟอยุแกได้ต้งให้สองแจกระเทียนเออรี่และสิ่งหนึ่งที่แกทำนั่คือว่าเดินเท้าเปล่าใส่รองท้าน ะ, ะจาก เป็นใหม่มาทิ่สมุย1ั0 0ิกิโลเมตเรื่องนี้ยิ่งใหญ่ตั้งแต่ที่แกเขียนเนี่ยคือเส้นทางผิดอสารทางขายดีมากทีมันรู้ิครั้งสา 3-4 ครั้งเพราะว่ามีมีเหตุการณ์อะไรที่นัำประทับใจมากแต่ต้อมาจะเล่าตอนหนึ่งนตอนเจอตอนณ์จังหวันนี้ก็เดินขึ้นไปที่ดอยถนนคือรินบอกนะแกมีหลักอย่างแกมี จะมียึดหนาหอยู่สองําคข้อนข้อที่หนึ่งคือไม่พกเงนินไม่พกเงินนะไปไปให้มีเงานติดตัวเลยที่ยิ่ดกับพระสองจะไม่ไปพักใน ท, ที่ที่เพื่อนที่มีเพื่อนอยู่สามจะไม่ขอใครไม่ขอเลยไม่ขอขออาหารจากใครแล้วก็เดินขึ้นแดงถนนเนี่ยเดินจกือบจะถึงละวันนี้นจะไม่ได้กินอะไรเลยแกก็เหนื่อยแล้วก็พอใกล้ถึงยอดก็หมดแรงมันกับเหมันก็บหายสูดหายใจ แค่จะไม่ดาก็จะตายแต่แล้วก็ก็พุบลงไปแต่แล้วมีรถคันหนึ่งผ่านมาก็เลยรับอาจารประมวลนี่ขึ้นไปนนตอนถนนเขาเซื้ออาหารให้อาจารประมวลอยู่บนตนถนนสักพักนะก็เดินลงมาพอเดินลงมาเนี่ยก็เห็นทัศนียภาพสวยงามมากเลยโอ้โหทั้งป่าทั้งกล้วยไม้ทั้งข้างล่างก็เป็นเป็นเป็น เป็นแนวสีภูเขารดหลั่งกันสวยงามสวยงามมากเลยแลกวสะพ า, านก็จะได้คิดเอ๊ะตอนที่บังขาขึ้นนี่ก็มาเส้นทางนี้ทำไมจะทําไมจะ่ไม่เห็นเลยทำไมไม่เห็นนะพระใจจะรออยู่ข้างบนเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงแะไม่ได้ดูเลยว่ารอบตัวมีสวยงามอย่างไรไมาได้เห็นปังขาลง คนเราเวลาขาขึ้นเนี่ยใอยู่ข้างหน้าเนะ่ยใอยู่การสร้างอนาคตส ร, ร้างบ้านใหม่ซื้อรถซื้อหาครอบครัวแล้รต่างฝันว่าจะสร้างจะหาเงินสิบล้านภายในสิบปีแล้วเราลืมฮะลืมลืมความสุขที่มีกับครอบครัวนะ แต่พอตอนขาลงนะฮะตอนที่คุณรู้สึกว่าชีวิตคุณเนี่ยไม่มีอนาคตเนี่ยที่ข้างหน้าไม่สดใสเนี่ยถึงตอนนี้นะที่คุณจะเริ่มมองไปรอบๆตัวแล้วคุณจะได้เห็นเลยว่ามันมีความสุขรออยู่รอยยิ้มของลูกดวตาของลูกหรือว่าธรรมชาติรอบตัวหรือว่างานที่คุณทําด้วยความรักด้วยความเพียรนี่คืออัศจรรย์ของชีวิตขาลงฮนะ ขี่ขาขึ้งนี่เรามองไปข้างหน้าเรามองเราลืมองรอบตัวเรานะบางคนเนี่ยมีพฤติกรรมบางคนซึ่งตอนนี้ก็เกษียณไปแล้วที่เราอาจจะรู้จักกันดีตั้งแต่ว่าอยู่ทำงานที่20ปีนะเพื่อหาเงินมาให้ครอบครัวเสร็จ แ, แล้วทำงานหนักทำได้เม่ถ20ปีเป็นมนเนนะเร็งฮะตายไม่ถึงดวงดาวแล้วก็ไม่สามารถ มตอนนั้นก็มานึกได้ว่าถ้ามีชีวิตอยู่มากขึ้นมีเวลาอยู่เพิ่มขึ้นขอมีเวลาอยู่กับลูกสาวมีเอยู่กับลูกมากขึ้นเพราะนั่นคือความสุขแต่ตอนที่ขาขึ้นเนี่ยไม่มีเวลาให้ฮนะเพราะอยู่ข้างหน้าตามองข้างหน้าตลอดเวลายแต่พอเริ่มป่วยขาลงนะก็ได้ตระหนักเลยว่าโอ้ความสุกรอบตัวมันอยู่แล้วนะแตมาคิดว่าแต่ขาลงนี่นะมันดีนะหาให้เจอนะความสุกรอบตัว มันมีแน่นอนคือสิ่งที่ทได้ว่าชื่นชมสิ่งดีๆที่มีอยู่รอบตัวหรือไม่สิ่งที่อยู่กับตัวเราข้อต่อมานะคือว่าลองนึกถึงคนที่เขาลําบากกับเราบ้างอันนี้เป็นคาถาของคานตีเลยเวลาบอกเวลาแนะนําใครว่าเวลาคุณมีความทุกข์คุณลองนึกถึงคนที่อยู่รอบตัวที่เขาทุกข์กว่าแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณมีโชคดีมี กูมาละแพทย์คนหนึ่งนะแกเสียสามีไปทุกมากเลยฮะจับกลับจา ก, จา ก, ก ง, งานศพมาเนี่ยพอพอพอเผาพอทำพิธีศพของสามีเสร็จมาที่สำนัก ง, งานแกไม่พูดไม่คุยใครติดตัว ต, วตลอดเวลาติดห้องซุมไม่ใช่แครพิษนะสองอาทิตย์รับตรงเข้าอาที่ยสามหัวหน้าเนี่ยซึ่งเป็นซึ่งเป็นซึ่งเป็นผ้า เ, เ, เหมือนกันเนี่ย อยาช่วยเขาพี่เก่าก็ไปปลอกไปไปให้กำจาจมันไม่ได้ผลนะแล้วมันนี้ แ, นแกคิดวิธีการขึ้นมาได้คือเอาเด็กนี่แหละฮะเอาเด็กเนี่มาให้เด็กเด็กกลัวนี่แ่ละนะเอามาวางไว้ตรงหน้าหน้ า, ห น, า, ห, นาหน้าโต๊ะกุมารรักาลคนนั้นเป็นผู้หญิงน ะ, ะแกก็ไม่สนใจก็ฟินอ่นั้นแหล ะ, ะแต่พอเด็กร้องเนี่ย แก ต, ต้องมาดูแล้วเด็กร้องเพราะอะไรออนต้องเปลนะี่ยนเพราะอมอนนะครึ่งวันนั้นเนี่ยนะแก ต, ต้องมาเอาใจใส่เด็กแต่และพรตอนเลิกงานแกก็เอาเด็กไปชมให้เข้าไปในวอร์ดเ้าวันรุ่งขึ้นนะคําประโยชน์อะไรที่แกถามคือว่าถามว่าเด็กคนนั้นเป็นอย่างไรแล้วแกก็เริ่มเข้าไปอยู่เขาออกจากช่องเข้าไปดูแลเด็กที่ป่วย วันนั้นจะดีขึ้นวันที่สองดีขึ้นโดยตางลําดับคือคนเราเนี่ยพอเราไปเห็นความทุกของคนอื่นแล้วเนี่ยไอ้ความทุกของเราเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องเบาบางเลยเอาเรื่องที่ใกล้ตัวกันนั้นอีกนะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกเนี่ยเป็นเรื่องของน้องโยน้องโยเนี่ยจะอยู่ที่รนครปฐมอันนี้หมอที่นครปฐมาล่าใร้ฟังเองแกป้าเนี่ยชวนน้องโยเนี่ยขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ ก็ปในเมืองแล้วถูกปุบัติเหตุนะป้านี่แขนหักน้องโยขาเลน้องโยเจ็บขวดนะฮะป้านี่ร้องอวดโอยแต่น้องโยนเงียบตลอดแม้กระทั่งพาส่งโรงพรยาบาลแล้วผ่าตัดน้องโยก็งเงียบพยาบาลก็เลยถามว่าทําไมน้องโยไม่ร้องเลยข้างขานี่ป้านี่ก็ร้องโอดร้องโอย น้องโยบอกว่ากลัวป้าเสียใจครับท่านท่านแตง น, นี่ยกลัวป้าเสียใจครับคือป้าเนี่ยรู้สึกผิดอีแล้วพาน้องโยมาใช่ไหมแล้วน้องโยแกก็รู้ว่าแกร้อเนี่ยป้ายุ้นสุดแยงมากๆแกก็ท น, นแล้วะละเวลาคิดถึงคนอื่นเนี่ยความทุกของตัวเองกลารเนเรื่องเล็กน้อยไปเลยขนาดน้องโยนี่อาอยุไม่มากนะฮะแล้วที่เวลาเราเจอเศรติดตกต่าเนี่ยบางทีเราไม่ถึงคนอื่นนี่ก็ทุกข์กับเราบ้างนะ ซึ่งมันเป็นตามท้งางถนนเห็นจากข่าวสืดอพิมพ์เห็นจากข่าเโทรทัศน์เห็นจากรายการคนค้นคนะะหรือเจาะใจจริงแล้วนี้นี่มันเป็นเป็นสิ่งที่สอนทำเราได้ทั้งนั้นเลยฮะอัตมาก็รู้สึกว่าใช้เวลานานเกินไปแล้วนะฮะก็ที่ว่าคิอว่าจบดีกว่าเพราะว่ า, วาอ่าหลาย ใหญ่เปิด้สักถามนะตั้งแต่าจะพูดแค่สีสิบนาทีนี่พูดนะครับชั่วโมง ห, หนึงนะฮะแล้วต่อมาสุดก็คือว่า อ, อไอสาการที่เป็นอยู่เนี่ยมันไม่ทําให้เราทุกข์หรอกฮะถ้าใจเราไม่ไปเออหอบหมกด้วยถ้าเราไม่ไปถ้าใจเราไม่ไปเปิดรับความทุกจากข้างนอกเข้ามาใส่ตัว อันนี้จะมารวมไปถึงเรื่องของอไม่ใช่เฉพาะความาเศรษฐกิจนะฮะความทุกเรื่องเกี่ยวกัสุขภาพความเจ็บป่วยก็ดีความทุกข์เกี่ยวกับความสมัยกับผู้คนก็ดีคือคนเราในความทุกข์ขเรานี่ไม่ทุกสีอย่างนส่วนใหญ่นะฮะหนึ่งเรื่องสุขภาพสองเรื่องทรัพย์สามเรื่องงานการสี่เรื่องความสมัยกับผู้คนสี่อย่างเนี่ที่ทําให้เราทุกข์แต่ส่วนใหญ่นี่เป็นเรื่องนอกตัวทั้งนั้นนะฮะหรยอเป็นเรื่องที่มันอยู่แค่มันมันไปไม่ถึงใจ แต่เวลาเราทุกเนี่ยเป็นพัดใจเราไปรับเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาโดยการคิดในทางที่เป็นลบหรือด้วยการนึกอดีตนึกถึงอดีนึกถึงอนาคตหรือการที่คิดถึงสิ่งนั้นซ้ำแล้วำลาใครใครเขาว่าเราใครเขาว่าเราก็เอามาคิดคิดคิดคิดอันนั้เปรียบเที่ยบก็เหมือนกับเราในมือเราเนี่ยมีเศษแก้วที่คมอยู่นะฮะ เสียใจทาให้เราเจ็บได้นะฮะถ้าวางอยู่บนมือนนีไ้ได้ต่อเมื่อเราได้ต่อเมื่อเรากรรมถ้าวางยึดเส้นเนี่ยวางยึดเส้นนี่ทําอะไรเราไม่ได้แต่เมื่อใก็ตามที่เรากรรมแล้วเราบีบอันั่นแหละฮะที่เราเริ่มจะมีเลือดพลิกพิออกมานะ ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยโดยเพราะสิ่งที่มาดีในความตรงจำที่เจ็บปวดนะมันก็มันก็เสกแก่นะฮะมันอยู่ในมือเรานะแต่มันไม่ดีทาง ท, ทำให้เราปวแล้วฮะถ้าเราไม่ดีบเอาไว้ไม่จำเอาไว้ผู้อย่างาภาษาพ่าสเราไปยึดมันเอาไว้งี้ยดิดแล้วก็ยิดแล้วก็ย้าคิดย้าทำซ้ำแล้วซ้ำเล่า ย้าคิดย้ำทาเรื่องเศรษฐกิจย้ำคิดย้ําคําเรื่องอกหักย้ําคิดย้ํำทาเรื่องคำต่อว่าของเพื่อนย้ําคิดเรื่องย้ําทําเรื่องเจ้านานไม่คิดดิทำนะฮะหรือความสุญเสพค่าของคนที่เรารักนะเสร็จเจ้าไม่ทําอะไรเรานะฮะแต่ก็เราไปกรแนแน่นแน่เมื่อการที่เราเริ่มบ่ายมือออกแล้วถ้าคุณฉลาดตอนนั้นคุณตลัดมันทึ้ง คุณก็เป็นปกติเหมือนเดิมถามใจยู่นะว่าตอนนี้เนี่ยเรากําลังดีบเรากำลังกําเศษแจ้วในมือห ร, รือเปล่าเศษแจ้วคืออะไรมันมาอยู่ในมือเราได้อย่างไรอันนั้นเป็นคําถามแต่ที่สำคัญคือว่าแล้วคุณไปดีบมันทํำไมไปกำแน่แน่นมันทำไ ม, ไำ ม, ำไมถึงเวลาเมื่อไหร่ก็ตามจะมีเวลาไหมที่เราจะรู้ว่มันอยู่แล้วก็ปล่อยมันออไป คืออย่าเรากรรมนี่เพราไอะไรฮะเพราะเราไม่มีสติฮะเรากรรมไม่มีสติเราก็เลยกรรมเอาไว้ดีเอาไว้แน่นเหมือนกับเวลาเราคันนะฮะเราคันแล้วเราเกาวเราก็ ล, กกลวกเกาเนี่ยมันก็ทําให้เราคันมากขึ้นแต่อดเกาไม่ได้ยิ่งเกาก็ยิ่งคันยิ่งคันก็ยิ่งอยา ก, กเกานี่ยลนะคือคือความความไม่มีสติฮะทําให้เราเนี่ยกรรมมันเไว้ แต่เ่อตามที่เราเริ่มมีสติรู้ตัวเมื่อไหร่เนี่ยเราจะเลิกบีบแล้วเลิกกรรมและถ้าเรามีสติหรือปัญญามากกานั้นเราจะสะะมันทิ้งไปความทุกนะ ข, ของคนเราอยู่ตรงนี้ฮะนิทา น, นที่มีคนพูดบไว้คือเรื่องของการเรื่องของลิงที่มันกรํากรรมถั่วในในกับดักพืดดินนะฮะพืดดินนะฮะ เองเนี่ยมันวิธีการจับลิงซึ่งค่อนข้างจะเป็นสากลในหลายทีย่ในอินเดียก็มีภาคกลางอีสานก็มีก็คือเอากระบอกไม้ไผ่นี่นะฮะเจาะรูพอที่จะใส่ใส่ถั่วให้แล้วลิงที่มันกวนน่ะมันก็จะเข้ามามันก็จะเอามือเนี่ยสอดเข้าไปในในในช่องนั้นแล้วคว้าคว้าถั่ว แต่เมื่อมันจะดึงออกมามันดึงออกมาไม่ได้เมื่อมันดูงออาไม่ได้ทํางานมันก็พยายามดึงดงึดงไม่ได้ถามน one, ีน่แหละชาวบ้านก็จะมาจับม <im> ันจับมันเนี่ยมันตีนขึ้นปนไม้แลแต่มันตีไม่ได้เพราะมือนี่มันกมอยู่ถามว่าทําไมไม่แดะฮะมันไม่แดะเพราะหนมันมันโลภก็ได้สองมันตื่นตกใจทีแรกมันมันไม่แดะเพราะมันโลภมันก็เลยดึงไม่ออกแต่ตอนหลังเนี่ยมันไม่แดะเพราะว่ามันตกใจ ไอ้ความตกใจในเที่ยงมันมันทมันกรรเไว้แล้วมรนกรร ม, มนกรดก ม, มันก็เลยถูกประจับได้อาจจะตายด้วยซ้ำคนเราก็เป็นอย่างนี้ฮะคือพายเหมือนตัวตัวยังกรรมนั่นแหละไม่ยอมปล่อ ย, อยคุณกรรมอะไรบ้างเพื่อาจจะกรรมว่าได้ ว, ว่าคุณต้องให้มีคุณภาพชี่ิตเหมือนเดิมเหมือนกับที่เป็นอยู่รุณเลี้ยงคุณจะต้องเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไปจากเดิมไม่มีการลดนะ การเสริมการบริโภคของเราจะเหมือนเดิมจะเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้จะลดน้อยกว่านี้ไม่ได้ตอนนั้นที่พายมาถึงตัวแล้วก็ยังไม่ต่อยฮะนี่เพราะไม่มีสติและเพราะความยึดความติดแต่เมื่อถ้ตามที่เร า, ถ, าถ้าลิงตัวนี้เขารู้ตัวเนี่ยเขาจะแบดันทีแล้วก็รีบดึงมือออกมาแล้วก็ตีที่ต้นไม้เรายึด ทั้งนั้นที่ไอ้สิ่งที่เรายึดนี่เป็นทุกข์ก็เพราะว่าเราไม่มีสติไม่รู้ตัวฮนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาตมาที่ว่าในจะเหยียเป็นชุดในทางปัจจุบับนนะผู้อย่างสรุปอย่างสั้นๆคือหนึ่งลดความต้องการสองเพิ่มความรู้สึกตัวและสามมองง่ายดีนะที่เหล่า น, นั้นจะตามมาเป็นสายอ้าเมาเชื่อพอสมควรอยู่เวลานะก็อาจจะมีเวลาสอบการสักพักกันได้ขอเชิญฮนะ เวลาทำงานเนี่ยโดยเฉพาะช่วงช่วงเนี้ของของของตัวตัวโยมเองเนียนะคะมันจะมีสิ่งที่เราถืกว่ามันไม่ได้ตั้งใจนะพูดพูดได้ลมง่าครัดใจมันไม่ได้ตั้งใจนะแบบตัวเราตั้งเป้าไว้เลยจะได้หกสิบล้านที่ทำงานหนอยู่อาจารย์ถามกันไหมันัไปหันเอเทมหกสิบล้านบาทอันนี้เพงได้สิบ้าล้านี นี่คือว่าเดี๋ยวพูดนี่อนนะพอได้สิบ้าล้านจริที่เมื่อกี้ฝั่งพายจานพูดรู้สึกว่าเออเราไม่มองสิห้าล้านเราม u l เดี๋ยวไปมองว่าเราเองขาดอีกต้องสิบห <45. S 1> ้า้าล้านไม่ได้จับมองสิบห้าล้านตอนนี้มองแล้วค่ะมองสิบห้าล้านดีแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> แต่นี้คือนี้เหรอจานมันจะมีความรู้สึกว่ามันมีความหงุดหงิดที่เราไม่ได้ดั่งใจเยอะอ่ะทั้งที่เราก็ปฏิบัติมาแล้วรู้ว่าต้องดูจิตแต่เราก็ยังหงุดหงิ ด, ดียู่ท่นนะคะ วิชาปราพันธ์มันมีกรรมแนะนำไงซึ่นเราก็เห็นหนึ่งผลเสียว่าเราหงุดหงิดลูกน้องเราก็หงุดหงิดไปด้วยงานก็ไม่เดินหรือแม้ถ้าเดินก็เดินภายใต้ความกดดันไม่ได้เดินด้วยความรื่นรมอะค่ะแต่รู้สึกว่ามันมันขจัดความหงุดหงิดตรงนี้ออกไปยากอะเรืองนี้มันก็เหมือนกับก้อนเดียวกับเวลาทำเงินหายนะคือเงินหาเนี่ยก็ทุกอยู่แล้วแต่ทําไมเราต้องไปซ้ําเติมเพียงด้วยกันไปเสียใจหรือโทษตัวเองด้วย เสียเงินอย่างเดียวพอแล้วไม่ควรเสียใจเข้าไปอีกใช่ไหมก็ในกรณี น, นี้ก็ก็เหมือนกันคือว่าโอเคเอเราได้ไม่ถึงเป้าใช่ไหมแต่การที่เราไอการที่เราไม่ถึงเป้าเนี่ยได้ไม่ถึงเป้ามนนันอย่านึ่งก็คือว่ามันเป็นความไม่สําเร็จใช่ไหมมันก็มันก็เป็นความจะเรียกว่าเป็นความล้มเหลวพอแรงอยู่แล้วใช่ไหมแต่ทําไมเราต้องต้องไปทุกกับมันด้วยให้มันซ้ําเข้าไปอีกเป็นสอง ใ ห, หนึ่งก็พอแล้วอยากสองได้ไหมใช่ไหคราวนี้ถ้าเกิดว่าเรารับในการที่หนึ่งนะไว้สองคือว่า อ, อถ้าอย่างที่เราบอกถ้าคุณทําด้วยความกดดันทํำด้วยความทุกเนี่ยมันก็งานก็อาจจะเป็นไปได้ยากเหมือนกับเราเราเร า, เราไปเราเข้าสอบนะถ้าคุณสอบด้วยความคิดว่าวิชานิชันต้องได้ต้องไ ด, ตงได้ต้องได้เอ ไม่ทราบเคยเป็นนี้หรอฮะอาตมาเคยเป็นนะเวลาสอบเนี่ยวิชานี้ฉันต้องได้แปดสิบเปอร์เซ็นตะอาตมาเตือนทันทีเลยฮะวิชานั้นเขามีสิทธิ์คะแนนอาตมาได้สิบคะแนนเองผลสอออกมาคือทําแล้วตามที่ทําด้วยความเกรงแล้วเนี่ยมันล็อกนะมันล็อกสติปัญญามันล็อกความคิดสร้างสรรค์นั่นถ้าคุณทำถ้าถ้าทาด้วยความกดดันเนี่ย ให้มันกดดันจากข้างนอกแต่อย่า ก, กดดันไปถึงข้างในนะและสาคัญเลยเพราะถ้าเป็นพี่ลูกน้องนะครับคือว่าถ้าเปอนถ้าเป็นถ้าไพูดกับข้าราชาคือว่าไอ้การที่เราไอ้ความเป็ น, ค ว, ปนความเป็นทีมก็สำคัญแล้วก็กําลังใจก็สําคัญถ้าเราเครียดเนี่ยลูกน้องก็จะปล่อยเครียดด้วยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันติดต่อกันได้นะ คือสิ่งต่างๆสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยสิ่งดีก็ตามสิ่งไม่ดีก็ตามเนื่อติดต่อกันได้ความโกรธก็ติดต่อกันได้ความดุนแรก็ติดต่อกันได้จากพ่อไปสู่ลูกจากลูกไปถู่หลานก็ได้แต่ถ้าด้วยการนะถ้าว่าเกินเราเนี่ยเราสามารถที่รักษากใจให้ให้สดชื่นนะไอ้ความกําลังใจของเราเนี่ยมันก็จะแผไปถึงคนอื่นในที่ทํางานซึ่งสามารถที่ทําให้เราสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้ดีกว่า ถึงสุดท้ายนะไอ้หกสิบล้านนก็ต้องตั้งคำถามด้วยว่าถ้ามันถ้ามันไม่ได้ถ้าเราถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ได้ น, นดี่จะเป็นไรไปหรือเปล่าใช่ไหมมันคือสิ่งที่เรายึดเอาไว้ว่าต้องได้ต้องได้ต้องได้ไดไดนี่ตลาดจะมองแบบคนนอกนะฮะซึ่งอาจจะไม่ค่อยได้ได้ใจเรื่องพวกนี้แต่เราเชื่อว่าถ้าเราถ้าเรามองไปข้างหน้าเนี่ยใจเราทําอะไรโดยมองไปข้างหน้าตลอเวลาเนี่ยจะไม่มีความสุขเลยมันก็เดินทางไกล เดิทางไกลเขาคิ่ามื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงนะระยะทางสังส้นกลายเป็นยาวแต่เมื่อไหรก็ตามที่เดินทุกขนาดทุกขนาดยังมีสติเราก็บพบว่ามันถึงเร็วกว่าที่เราคิดและเดินมีความสุขด้วยคือเมื่อเราตั้งอัตลัเสนอเนี่ยคือเมื่อตั้งเป้าไว้แล้วเนี่ยถึงเวลาทา ง, งานก็ดูกับปัจจุบันให้ได้อย่าไปไปกังวลกับอนาคต มันถึงตอนเมื่อมันถึงนะแล้วเมื่อถึงเราขึ้นมาว่ากันนะแต่ถ้าใจเราไปอยูข้างหน้าต่อเวลาเนี่ยไอการทํางานแต่และแต่และขนาดจะไม่มีความสุขและจะไม่ดีไม่ีประสิทธิภาพเลยฮนะเพราะความสุขกับประสิทธิภาพไปได้วยกันเพราะเราถ้าไปมีความสุขแล้วเนี่ยผ่อนคายเมื่อผ่อนคายเสพปัญญามันออกมาได้เต็มที่แล้วถ้าเราทําให้ความสุขลุกน้อ ก, ก็จะ ม, มีความสุขก็จะทให้สามารถใช้ฝักใน่ารขับเคลื่อนงานกันไปได้ ได้ดีนะไม่ทราบต่อปัญหาหรือเปล่าคือทำ ง, งานต้องสนุกนะฮะทำ ง, งานต้องสนุกอ่มีสมลิต กรเโ น, นานนตวมซึ่งท่านเป็นเป็นศิปนลปที่ดีไซน์วัดบิณฑบาตพิธนะะท่านบอกว่าถ้าทำอะไรไม่นสนุกฉันก็เป็นแค่ตุกกตต๊กตาตุ๊กตาในที่จริงคือขุ่นยนต์หุ่นยนต์หุณนย น, น, น, นไม่มีหัวใจไม่มีชีวิตไม่มีชีิตใจถ้าทำอะไรไม่นสนุกฉันก็เป็นตุ๊ ก, กตาคือฉันก็เป็นแค่หุนน่นยนต์ทานทำอะไที่ทําม่ต้องต้องสนุกฮนะยิ่งเราอยู่ในยา ก, กงบันเทิเวลานี้ ต้องสนุกคนระับอันนี้ผมต้องบริหารแลนะ้วฮะถ้าเราถ้าเราไม่อยากทําแต่มีลูมีลูนกน้องว่าที่เขาทําได้ไหมอันนี้สมาคิกอุตุการไม่เป็นไม่ไมาปุ่กนกรณีที่มันไม่ชอบทำนะถ้ามันชอบทำถูกกฎหมายหรือถูกทำแต่ว่ามันอาจจะ เป็นคือเป็นสาขาที่เราไม่ชอบแต่มันมคือว่าของที่มันมันมันสร้างกันได้มันปลุกกันได้ปลุกใจให้เกิดมีฉันทะขึ้นมานะคืออะไรก็ตามอยู่ที่ใจอยเดีเลยฮะแม้ว่าจะมีแม้ว่าจะจะเจองานยากหรือว่าจะอยู่ในตําแหน่งที่ที่ที่น้อยกว่าที่ต่ํากว่าแต่ถ้าทําใจให้ให้ดีมีความสุขเราจะมาชอบเล่าเรื่อง ยามเฝ้ายามคุมจราจรในบริษัทแห่งหนึ่งบริษัทยาอซึ่งเป็นคนลุงนะรู้มากแล้วอยู่มาี่ม23ปีแล้วแต่ก็เป็นคนจัดรถเป็นยามเฝ้าอยู่หน้าประตูเนี่กยก็เฉลิมฉลอมากเลยแล้ววันหนึ่งเนี่ยรู้สึกเป็นคเนเมาดมสิ่งสีแดงสีแดงน้าก็ขับรถผ่ า, านแล้วเจอคเนี้คุณลุงคนนี้แกเป็นคนมีความสุขมากเลย ถ้าเป็น ง, งานที่แกทำก็มีก็มีแค่เนี่ยจัดจัดจราจรในในใ น, ในเขตสำนาัก ง, งานแล้วก็ถามว่าทำไมยึงถึงมีความสุขเงินเดือนก็น้อยแกก็บอกว่าคือผมอยู่นี่เนี่ยฮนะใครใครก็ต้องเชื่อฟังผมนะผมยกลงให้หยุดผู้จัดการก็ต้องหยุดนะผมบอกให้ไปผู้จัดการก็ไปได้นะแกก็อกว่เนี่ ย, ยแกกเหนื่อยมากสุดวเนี่ย ซึ่งอันที่เป็นควราโกนนี่คือเป็นเรื่องของของอีโก้แต่ว่าจะดีคือกามาแบบนี้แล้วทําให้กออาไรมีความสุขได้ไองานที่เป็นดีเหมือนว่าไม่มีคนณค่าแต่เราทำให้เป็นเป็นงานที่มีความสุขได้นะคือเนี่ยคือมันอยูออออ่ที่ดีที่เราจะมองอย่างไรนะฮะอีกเรื่องหนึ่งที่คุณหวามาลาล่ามเป็นเรื่องสมัยการที่และสมยัยจอมปลอมก็มีชื่อเสีงยงคนหนึ่งเนี่ยในทางเงยอรมันบาลจะบอกเนีนนนแต่ครอบเตื่นเครื่องเนี่ย อ้วนเนีน่ยมีความสุขกว่าอ้วนเนี่ยโชคดีกว่าในรถมันเจอที่แกคงไม่ใช้คำว่าอ้วนนะแต่พูกับเพื่อนๆนี่ยโชดีก่าในรถมันเจอที่แล้ววันห น, น่หวไอ้คำพูดนึกเข้าหูเจ้ามันปอเจ้ามันป อ, อ, อก็เลยเรียกมารอะว่าแกทะไมถพูดอย่างนี้นนก็สมิญก็ตอบว่าเหตุผลคืออะไรแกก็บอกผมมาสนีนนะ ผมยมงเนื้อเชิดมีโอกาขึ้นไปได้อีกขึ้นตำแหน่งท่านะจอมพลแล้วเป็นนายกแล้วท่านตันแล้วนะ <c oughs> ผมยังขึ้นได้อีก <c oughs> ผมยังมีความถึงมัโชคดีกว่าท่านคือนะเนี่ยคือเราเป็นมองแบบนี้ต้องไหมแต่ถ้ามองแบบนี้มีความสุขนะถ้านาจรบอกว่าไม่มองโลกในแง่ดีเนี่ยค่ะ แล้วแต่การมองโลกในแง่ดีอันนั้นมันจะทําไงที่มันจะไม่ใช่การหลอกตัวเองอ่ะคือมันต้องทำสองอย่างฮนะทําใจแบบทําจิต ก, กับทำจิตทําทําจิตกับทำ <c oughs> จิตที่เราพูดเมื่อกี้เนี่ยเป็นเรื่องการทําใจเดียวแต่ว่าการจัดการหรือว่าการจัดการแก้ไขต่างๆเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นงานการหรือเป็นสิ่งภายนอกก็จําเป็นนะแต่ถ้าเรามาหลอกตัวกับฝามันไม่ใช่นะมันคือความจริงที่เราไม่เคยได้มอง ไอ้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยสิ่งที่พูดมาเนี่ยคือแง่ดีก็คือความจริงที่เรามอกจะมองไม่ค่อยเห็นนะแต่ระหว่างการมองแล้วมีความสุขกับการมองแล้ทุกเนี่ยเราเชื่อมองแบบไหนดียกันนะฮะการมองอย่างที่ทําให้เราเป็นอิสระจากสถานการณ์ได้มากกว่านะอันนี้คือคือคําถามที่ธรรมทานตั้งแต่แรกเลยว่าทําไมเราต้องเอาความสุขของเราไปแคร์ไมกับสิ่งภายนอกไปแคร์ไมกับสถานการณ์ ทำไมเราไม่สามารถที่จะเป็นสุขได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ซนะึ่งในทางวิาการนะตอว่าทำได้นะคนที่เจ็บป่วยปนะวดทรมานะแล้ววันดูกคืนดเนี่ยได้ได้ได้เจริญสตปิปฏิบัติธรรมจนกระทั่ง สามารถที่จะเอาชนะความเจ็บความปวดได้อี่คุณเด็กนะฮะเด็กอยุสิบสองเนี่ยจะเป็นโรคโรคคุณผัวเนี่ยโอ้จะเวลาเวลาเวลาถ่ายเลือดจะทรมานมากเจอเข็มอะไรต่างๆปวด แ, แ, ลวแล้วเราจะที่แกไปได้ปฏิบัติธรรมแกนิ่ ง, งมากเลยนะขนาดเจอเข็มห็แบบเข็มขนาท่าตะปูเนี่ยตียไม่ตีนึ่งเลยขอพาราเลกเดียวเป็นเคสที่หมอนี่งงเลยว่าทำได้ยังไหน น, นี่นคือคนที่ปฏิบัติธรรมแต่คนที่ไม่ปฏิบัติธรรมก็มีนะอย่างที่อเราไปเจอที่หัตใจเดือนที่สิบสี่จะเป็นมะเร็งสมองแต่สดชื่นมากเลยคนที่ไปเยี่ยมที่เป็นอาศาศาัลไซเมรมอก็แปลกใจถามไปทามาจะบอกแต่โชคดีที่เป็นมะเร็งสมองคือโชคดีที่ไม่เป็นมะเร็งมดลูกเพราะว่ายาเป็นมะเร็งมดลูกปวดมากแต่โชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมอง อถามว่าที่เราเกวยังไม่ตายนมันคือความจริงใช่ไหมคือความจริงอย่างนี้ซึ่งเราจะไม่เคยได้มองนะก็เหมือนกับตรงนี้เลยฮะถามว่าพิษขาวมัีจริงหรือเปล่าพิษขาก็มีจริงใช่ไหมถึงแม้มันจะน้อยกว่ากระบาแต่ทําไมต้องไปมองกกะบาด้วยถ้าในเมื่อคุณมองแล้วคุณทุกข์แต่ถ้าคุณมองให้เต็มนะคุณก็เห็นธรรมนะฮะคือไอ้กระบาเนี่ยเป็นความรุ่มเร่อความเจ็บความปวดเนี่ยมันสอนธําว่า ชีวิตเรามันไม่เที่ยงที่เราต้องเป็นทุกข์ไอ้การที่ชีวิตเราประสบความล้มเหลวเนี่ยการที่เงินหายเจ็บปวดเนี่ยถ้าคุณมองให้เป็นนี่แหละที่ทำมาเลยก็คือว่าชีวิตเราเนี่ยในจะต้องเจอแบบนี้วันนี้เงินหายคุณจะทุกข์ไปทําไมในเมื่อวันพรุนี้คุณจะต้องเจอหนักว่านี้วันนี้คุณปวดหัวคุณจะทุกข์ไปทําไมในเมื่อพรุ่งนี้คุณต้องเจอหนักว่านี้นะ คือมอยเต็มเนี่ยอันนี้คือมันไอการกรบาลนี่ก็สอนทำมากแตเราได้นะแต่ถ้าคุณยังยังมองยังมองไม่เห็นก็มามองตรงสีขาวก็ยังได้นะจิตใจก็แท่มขึ้นแบบบานแต่ทางภาษาบาลเนี่ยเริ่มเป็นจากการมองสีขาวก่อนแต่เมื่อคุณมีมีมีมีอินรียแก่กล้าหรือมีสติปัญญาแล้วคือคุณก็มองสีสีไอสีเนี่ย กา ก, กรบาดเนยแล้วคุณก็จะทะลุไปเห็นเลย ว, ว่าแท้ที่จริงไอ้กากระบาดกัีขาวไม่ได้แยกจากกันเมื่อคุณมองทลุปไปเมื่อคุณมองความทุกคุณก็เห็นความสุขอยู่ข้างในเพราะมันไม่ได้แยกกันนะกกกกน้ำแก้ที่มากระหว่างแก้น้ําที่น้ําที่มากกับน้อยเนี่ยก็ไม่ได้แยกจากกันไม้บรรทํานี่ยาวเมื่อเทียบกับสินสอแต่ว่าสั้นเมื่อเทียบกับไม้เนความสั้นและยาวอยู่ด้วยกัน เมื่คุณมองความเจ็บป่วยเนี่ยคุณก็จะเห็นเลยว่าในความเจ็บป่วยนี้ยเนี่ยนะมันมีความดุดพ้นอยู่อาจารย์พุทธะบอกว่าในเตาหลอมเหลวเนี่ยมันมีวิญญานอยู่ผู้เจ้าจับว่าผู้มีปัญญาแนะตกทุกข์ก็พบสุขผู้มีปัญญาแนะตกทุกข์ก็หาสุขพบ เพราะในทุกนั้นมันมีความสุขอยู่นะมันมีความสุขอยู่ถ้าคุณสามารถที่จะมองทะลุพื้นเผิวลงไปตรงนี้ธรรมะไม่ได้พูดเฉลี่ยแต่ว่าถ้าเท่าว่าคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะเห็นตรงนี้ทะลุไปเลยแต่ถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็ก็จะเพิ่งไปสนใจไอ้การกรบาทสนใจอ่านมาสนใจไอ้สีขาวให้นมากนะแล้วคุณจะรู้ว่าแล้วถ้าูดคุณจะรู้ว่า การระบากะติขาวหรือสุกกระทุกนี่ไม่ได้แยกจากกันแดดเมื่อมีแดดก็ต้องมีเงางเงาที่อยู่ตรงข้างกันมีเงาโดยไม่มีแดดก็เป็นไปไม่ได้เมื่อถึงตอม น, นี้คุณก็อยู่เหนื อ, อ, นอสุขเหนือทุกข์แล้วตอนนี้แหละไอ้ตรงนี้ก็ก็เป็นแค่มายาภาพ กระตาบและศีรษะนี้ออกมาอยาพาคุณหลุดพ้นไปเลยพะลุกระดาษไปเลยไม่มีอะไรต่อไปเหมือนกับหน้ามือกับหลังมือเนี่ยถ้าถ้าท่านมีหน้ามือก็ต้องมีหลังมือจะเอาหน้ามือแต่ไม่เอาหลังมือได้นะไม่ได้ใช่ไหมจะเหน้ามือแต่ไม่เอาหลังมือก็ไม่ได้และทําไงถึงจะถ้าจำทำไม่ทาไม่ชอบหน้ามือเลยเนี่ยทําไงย้ายมันหายไปคือต้องไม่มีมือฮะ เมื่อไม่มีมือมเมื่อไหร่คุณก็ไม่ต้องห่วงเรื่องหน้ามือหรือหลังมือแนละ้วถ้าคุณยังตาได้เพียงอยู่ในที่แบบนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าในสุขมีทุกข์แล้วก็ในทุกข์มีสุขแต่สักวันหนึ่งเนี่ยนะคุณก็จะรู้ว่าเหนือสุขเหนือทุกข์มันมีอยู่เมื่อไม่มีตัวตนเป็นผู้สุขหรือผู้ทุกข์ แต่นี่ก็จ ะ, จะไปไกลแล้วนะฮะ<น>ก็คือว่าเอาค น, <laughs> นนี้ก่อนอาจามาก็เพลินเรื่องอ่นนัืสือเล่มหนึ่งมาชื่อฉลาดทำใจนะฮะพูดถึงยี่สิบกรมีเกี่ยวกับเรื่องความทุกข์ของคนในปัจจุบันซึ่งก็มีในพ้นานเรื่องอาจายมาว่าหนึ่งเรื่องซักสองเรื่อง สุขภาพเรื่องร่างกายไม่ใช่แค่สุขภาพเอยแต่รวมถว่าสวยไม่สวยอ้วนไมอ้วนด้วยแล้วสามเรื่องเรืเอ่องงานการสี่เรื่องความกําลังกับผู้คนเอามาไม้กี่เล่ม น, นะเ <c ười> ฟือ่องๆแต่ามาก็เฟือ่อแกจนไทั้งเดือแค่นี้ก็แต่อันนี้ก็มีทาแจงนะเอาจากเครือข่ายพฤติกาทัานถ้าเถิดว่าท่านในสนใจก็ติดต่อเครือขายพฤติกาได้ก็จะว่ายังมีเหลืออยู่ เอาพิได้จุดจากตาสองมาเพื่อเพื่อแจงในโอกาสเข้าพรรษาแต่ว่าปีใหม่จะอาไมจะทำเล่นใหญ่แันเนี้นะอก็คงจะพูดเป็นเรื่อเป็นลามากขึ้นส้าค่อสั้นอีกนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าช่วง พวกเราทํางานในในสายโทรทัศน์นะคะมันจะได้ยินว่าฉันเป็นคนรักอิสระอะไรเ ง, งี้ยค่ะในมุมมองเขง้งอาจารย์เนี่ยคาว่าอิสระเนี่ยค่ะที่แท้จริงเนี่ยมันมันคืออะไรแล้วก็ถ้านอกเหนือไปกว่านั้นคือเราจะมีความรักยังมีอิสระได้ยังไงคะคืออิสระเนี่ยถ้ามันอิสระจริงก็คืออิสระจากจากสิ่งที่เราเรียกว่าโลกธรรมโลกธรรมมีแปดอย่าง นะก็คือทรัพย์กับการเสียทรัพย์ยศอาจจะหมายถึงเกติยศหรือตาอําแหน่งหน้าที่อํานาจและการเสื่อมยศนะสารเสื่อแล้วก็หนุนทาสุขและทุกข์อิสระที่แท้จริงอิสระแต่สิ่งนี้ถ้ายัางทํอย่างนี้ไม่ได้มันไม่มีทางอิสระเขาตาหนิเขาทุกข์เขาสารเสื่อก็เลิงแต่พอเลืง้งสักพักเดี๋ยวเขาไม่ชมแล้วก็ทุกข์ใหม่ ใฮะคนที่ยังใจยังขึ้นลงไปกับโลกธรรมหรือความผันควรของของสี่อย่างสี่ชนิดเนี่ยเป็นได้อค่มาพอแค่อิสระเอาจแต่แค่แค่ออิสระตามแต่ของกิเลสเท่านั้นเองใช่ไหมแต่ไม่ใช่อิสระจริงนล้วเราเชื่อถ้าจะอิสระจริงเนี่ยก็คือเราต้องสามารถที่จะยกติดให้อยู่เหนือ ความพันฝนป่วนวแฝงของสิ่งเหล่านี้ผู้รู้คือว่าอยู่เหนือความพันฝนของสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นคำถามที่สมาตั้งเนยทีแรก ว, ว่าทำงานเราต้องเอาความพันของเราไปฝากไว้กับสิ่งภายนอกไปฝากไว้ที่ตาของคนไปฝากไว้กับสายตาของผู้คนด้วยหรือไปฝากฝากกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจบ้านเมืองในตอนเช้าตรงเนี้ยเป็นเป็นเรื่องสําคัญกว่าอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะ มีสติและปัญญาจนกระทั่งใจเราเป็นอิสระจากไอ้สไอ้สีอย่างนี้เนี่ยเพราะเรารู้ว่าความไม่ขึ้นเป็นธรรมดาของชีวิตใช่ไหมเมื่อเราเมื่อเรารู้มันไม้เรื่องเราก็ไม่ไม่ไปยึดมันเมื่อเมื่ อ, เ ม, อเมื่อไม่ไปยึดมันเนี่ยมันจะผันผ่ป น, น, นใจยังไงมันก็ทําอะไรเราไม่ได้นะถึงตรงนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยเอ่ใจเราก็เปิดกว้างเราสามารถที่จะรักคนอดีได้มากไม่ว่าเขาจะชมหรือเขาตําหนิเราเาก็ไม่ได้ทําให้เราเดือดร้อนเพราะว่า เราเป็นเราไม่ใช่เพราะว่าอยู่ที่เขาอย่าผู้จ้างท่านรักพระลาหุนเท่ากับพระเทวทัตเลยนะไม่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่าเใครใกล้หรือใครไกลหรือใครทําร้ายหรือไม่ทําร้ายตัวท่านให้เราเชื่อตรงนี้เนี่ยอิสระคือตรงนี้แนละ คืออันหนึ่งี่เดือดร้อนไม่ได้พูดคือเรื่องการให้อภัยเพราะว่าอาการกระทบกระทั่งเป็นเรื่องธรรมดานะแต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่เราทุกนะเพราะคําพูดหรือท่าที่ของเขาเนี่ยหรือการกระทําของเขาเนี่ยเราหารู้ไม่ว่าเรากําลังทําร้ายตัวเองในขณะที่เราคิดจะ ตอบโต้เขาในขนาดที่เราคิดจะทำร้ายเขาด้วยคําพูดหรือด้วยการกระประตาเรารู้หรือเปล่าว่าเรากําลังทำร้ายตัวเราเองด้วยความโกรธพอเราปล่อยความโกรธเขาผางใจของเราครูเจ้าจัดว่าเมื่อทราว่าเราโกรธตอบคนที่เขาโกรธเราเราก็แย่กว่เขาเพราะเรากําลังทําลายประโยชน์ทั้งสองส่วนคือประโยชน์ตนและประโยชน์ของเขาถ้าเราไม่รักเขาหรือว่าเราต้องรักตัวเองเพราะว่า เมื่อใดก็ตามที่เราโกรธเราก็ไม่ต่างจากคนที่กำลังทารรเศษแก้วไว้ในมือแล้วบีบอย่างแน่แนๆอ น, นาคิว่าก่อนที่เราจะโกรธเนี่ยบางทีเราต้องถามเสียก่อนว่าเราเข้าใจเขาจริงหรือเปล่าเราเข้าใจเขถูกต้องหรือเปล่าบ่อครั้งเนี่ยเรามักจะโกรธจากสิ่งที่เราได้ยินจากคนอื่น หรือจากสิ่งที่เราได้เห็นด้วยตาแต่ว่าไม่ได้สอบถามให้แน่ชัดว่าเป็นเช่นั้นหรือไม่ซึ่งตรง น, นี้เนี่ยเราเห็นได้จากนิยายจากละครก็คือว่านัางเอกเนี่ยนะอย่างเช่นับประศุกเนี่ยนังเอกนี่ก็จะก็จะมีปัญหากับคุณภาคหรือไงเพราะว่าไปเห็นว่าคุณภาคอยู่กับผู้หญิงก็คิดว่าเขานอกใจทั้งทแล้วแต่โดยที่ไม่ได้ถามว่าจริงหรือเปล่าใช่ไหม คนเราเนี่ยมักจะคิดไปเองสเยอะหรือได้ยินแต่ไม่ได้ซักถามให้แน่นอนอาจจะมาเชื่อถ้าเราตั้งสติแล้วก็ซักถามว่ามันเป็นจริงหรือย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยอาจจะมาเชื่อความขัดแย้งหรือความคุณนข้องหมองใจเนี่ยมันจะลดไปได้เยอะทุกวันนี้เราเราทุกกันเยอะเ ร, เราเราเกิดชั่งเยอะเพราะเราคิดไปเองจากสิ่งที่เราได้ยินหรือจากสิ่งก็เราเห็นได้ตาก็ตามเห็นด้วยตารรเราเชื่อไม่ได้นะฮะเพราะว่าอา มันจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดดันั้นประการแรกเลยคือว่าต้องต้องต้องต้องทําให้แน่ใจว่ามันเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่านะฮะคือถ้ามนเป็นถ้ามันเป็ น, น, ปนที่เราคิดจริงจริอเป็นอย่างที่เราเห็นจริงจริว่าเขาไม่ดีกับเราเขาเขาไม่ซื่อตรงกับเราหรือว่าเขาพยายามที่จะลังแกเราอาจจะมาชื่อว่า ก็ต้องพยายามที่จะรักษาใจของเราเองไม่ให้ทุกข์ไปกับความโกรธโ ด, ดยการที่เราไม่ได้จมอยู่กับเรื่องนั้นและอามารยขาคิดว่าผมต้องต้องต้องดูนะต้องอาสัยปัญญาที่ททีี่่เข้าใจด้วยยกตัวยอย่างเช่นในความในความขัดแย้งระหว่างสามีและภรรยา ม, มีตัวอย่างเยอะเลยนะอาจารย์เล่ตาลตัวอย่างนะั้นคือว่าผู้หญิงคนหนึ่งเนแจกก็ก ได้พบผู้ชายคนหนึ่งซึ่งดีมากเลยนะฮสุภาพเรียบร้อยจบปีนาเอกด้วยตัวผู้หญิงก็จบปีนาเอกเอาชื่อปูเป้แล้วกันผู้ชายที่เอออ่ารู้นี่เป็นเรื่องเป็นเรื่องจริงนะฮะอ่าก็โอนเนคือในฝันเลยแหละก็แต่งงา น, นแต่งงานเสร็จเพรว่าพอมีท้องลูกคนแรกนี่ผู้ชายก็เริ่มเปลี่ยนไปกินเหล้าผู้ชาด่าว่าจนห้ามทุกตีตบตีอ่าภรรยา แต่ก็ทุกมากเลยน ะ, นะนก็เคยที่ันหนีแต่ว่าแม่แม่ผัวก็ตึงเอาไว้ห้ามเอาไว้และเกก็ได้รู้จากแม่ผัวว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเอกเนี่ยนะตอนเด็กๆ เ, เคยเห็นพ่อทำร้ายแม่เอกเห็นพ่อทำร้ายแม่จนฝังจิตฝังใจเอกไม่ชอบให้พ่อทำกับแม่ แต่คนเราแปลกนะเราไม่ชอบให้ใครทําอะไรกับเราเรามักจะทำอย่างไักับคนอื่นประสบการณ์ความรุนแรงในวัยเด็กเนี่ยมันทําให้เอกเนี่ยเข้ามาใช้ความรุนแรงกับกับภรรยาและแม่ปัวนี่ก็บอกว่าขอให้ขอให้ขอให้ขอใ ห, อใ ห, อให้ให้ปู่เป้เนี่ยยมอดทนนะตุ้ครอบตัวและปู่เป้ก็เห็นว่าปูกเปก้พยายามอดทนนะแต่เ้าก็เห็นว่าโอ้ไม่ไหวเพราะว่า ตอนนี้ลูกเขาเนี่ยเขามีลูกสองคนลูกเขาเริ่มเริ่มจะเป็นเหมืงข้อเพื่อให้ลูกเพอเห็นข้อปีตีแม่เนี่ยคือเอกตีปูเป้เนี่ยลูกนี่ก็จะล้องดีร้องแต่เวลาไปไปโรงเรียนลูกก็จะใช้ความรุนแรงกับเพื่อนความพยายามทีถ่ายทอดมันไปได้นเนี่ยที่จะมาพูดเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นวงจรเนี่ปูเป้ปูเป้รู้ เ, เ, รลเลยว่าการที่เอกเป็นอย่างนี้เนี่ย มันไม่ใช่ไม่ขายสันดานจะมันมีภูมิหลังและตรงก็้เาก็คือการพยายามที่จะส ก, กัดไอ้ให้วงจรอุบาทเที่ยวไว้ตรงนี้เขทําคืออะไรคือไม่เสียงไม่ไม่ตอบโต้แต่พยายามนิ่งพยายางนิ่งและในใจก็ให้อภัยและทําดีต่อบนะและใ้สุดนะมันเปลี่ยนนะมันเปลี่ยนมันเปลี่ยน เ, ยเออคะ มันเปลี่นเอเ อ, เอก็เริ่มกลายเป็นคนกลกายเป็นเหมือนกับตอนที่เขาเจอครั้งแรกใหม่ๆก็คือวัตถุภาพเรียบร้อยนดูแลครอบครัวมี ล, ลักษณครอบครัวอันนี้เราเป็นผู้ทว่าไอ้ความไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีถ้าเรามีปัญญาหรือเข้าใจว่าทำไมก็เป็นเช่นนั้นคือเข้าใจปีนหลังของเขาเนี่ย ไอ้ความข้อแจบมีทําให้เราเกิดความอดทนและความเมตตาและความเมตตานี่ยแหละที่จะเปลี่ยนแปลงเขาได้มันไม่ใช่การที่เราตอบโต้เขาแตมาเรื่องในความสัมพันธ์กับเพื่อนถ้ารักกันจริงนะฮะสิ่งนี้จะทําให้เราอดทนและสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยทําให้เขาเนี่ยไม่จมลงไปนในในในขนทางอากุศลธรรมหรือความรุนแรงและทําให้เขาเปลี่ยนขึ้นมาได้พระเจ้า จ, จัดว่า เวลาเรากดใครเนี่ยมีวิธีที่ช่วยลดความพยาบามหรือว่าความโกรธในตัวคนนั้นได้อย่างว่าสองวิธีจรพูดท่านมหลายวิธีแต่ว่าในพระสูตรมันพูดสองวิธีและที่นี้คือเห็นความดีของเขาเขาจังนิดไม่ดีหลายอย่างแต่ไอส่วนที่เขาดเราพยายามมองให้เห็นพระเจ้าเปลี่ยนเขาว่าเป็นจอกไอเป็นสระที่มันเต็มไม่ได้จอกนะ แล้วเราเนี่ยเดินทางมากางแดดร้อนผิวกระหายแยาจะกินน้ําแต่ว่าในสัมเนี่ยมันมีแต่จอกหนทํำหน้ทานที่กินน้ําได้นะก็ต้องแหวกจอกเมื่อคุณลาจอเนี่ยน้ําก็ก็จะเห็นน้ําใสก็ตักมาดื่มกินไดนะ้นี่คือวิธีที่หนึ่งที่สองคือการเห็นความทุกข์ของเขาเห็นว่าเขามีความทุกอย่างไรบ้างอย่างเช่นปูเป็นเห็นความทุกข์ของเอก ติเตอร์เหนทั้งความดีของเอกและเห็นทั้งความชั่วของเอกว่าเขาเนี่ยมีภูมิหลังที่น่าสงสารอย่างไรบ้างก็ทําให้ทนและใช้ความดีเขาเขาอความดีเข้าตอบโต้ตอบโต้ความโกรธอนั้นซึ่งในสุดมันก็เปลี่ยนแปลงเขาได้ไอ้เรานชื่เนี่ย เ, ยเป็นเป็นสิ่งซึ่งเอ มันต้องใช้ธรรมะหลายข้อเข้ามาประกอบกันแต่ที่สำคัญคือความความอดทนความเข้าใจแล้วก็การมีสติที่จะไม่ไม่รู้แก่อารมณ์ซึ่งทำให้เราหนึ่งได้ <S <S หักไปเลย อันนั้นก็อันนั้นก็อันที่หนึ่งก็คือว่าบุปเปก็จะมีความทุกข์ความทุกข์จากตาที่ชีวิตครอบครัวล้มเหลวอาจจะทุกข์อาจจะไม่ทุกข์เพราะครอบคอบรัวล้มเหลวแต่จะทุกข์ว่าแล้วลูกจะทํำยังไงและจะมีความทรงจำที่ไม่อยู่โดยตัวเองซึ่งจะเป็นดบาบแทงในจิตใจถ้าครอบครัว ความโกรธมันก็จะเป็นแผลที่ทิ่มแทงเขาไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปแค่ไหนดีที่ว่าเขาจะทำใจได้มากน้อยแค่งไหนพอจุรสุดผิดก็ได้นะแต่ว่าถ้าว่าเขามีความอดทนอย่างในคนนี้เนี่ยเขาเขาทำแล้วมันเวิร์กที่ไม่เวริร ก, ก็มีนะแต่ว่าเพราะว่าจะไม่พูว่ า, ามีเหตุปัจจัยอะไรอย่างนะ แต่ถ้าว่าแย่นี้แย่จริงๆเนี่ยนะมันก็คงจะสู้ให้หวังเหมือนกันแต่ในกรณีเนี่ยเขาก็ไม่เป็นคนที่มีภูมิหลังที่เลวร้ายอะไรมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะคนดีด้วยกันได้แล้วก็สามารถที่ใช้ความรักเปลี่ยนแปลงเขาคือคนเรานี่นะฮะบางทีจิตใจคนเราเนี่ยแม้มันจะแข็งกระด้างกย่างไรก็ตามเนี่ย ความอ่อนโยนความนุ่มนวลความรักก็สามารถบังเกิดขึ้นได้เราก็เห็นต้นไม้ที่ขึ้นบนหินนะฮะหินหน่าแข็งยังไงเนี่ยมันก็ยังมีรอยแตกที่ให้ต้นไม้ขึ้นมาได้เมื่อคนที่แข็งกระด้างทนาห น, นี้มันก็ยังมีโอกาสที่เรตตาปราิณาและความอ่อนโยนจะแทรกตัวขึ้นมาได้ไม่มีสิงก้อนไหนที่มันแข็งจงกระทั่งต้นไม้ขึ้นไม่ได้นะฮะมันขึ้นได้เสมอ บางครั้งอาจต้องใช้น้ำค่อยๆกลับเพราะน้าอาจจะเป็นน้ำใจของสามีของคนรักของเพื่อนนะแต่สิ่งนี้มันเมื่อที่เขาเรียกว่าปฏิหารในความรักปฏิหารในเมตตาเนี่ยคือมันสามารถที่จะทำให้จิตใจที่แข็งกร้าวนี้สามารถที่จะนุ่มนวลและสามารถที่จะสร้างสรรค์ยิ่งกว่าทำลายได้ ค่ะมีองคถามนะคะสาหรับพระยาสงฆ์นะคะไม่มีอะไรมากระทบนสามารถจะปอยวางอไรนั้นได้ทันีเลยหรือไม่แล้วก็สาหรับปุถุชนธรรมดาเนี่ยพระยามีวิธีอะไรที่สามารถที่จะกาจัดสิ่งที่มากระทบใจแล้วก็ทาให้เกิดอารมณ์ที่ไม่พึงปรารถนาได้เพราะว่าเราไม่มีโอกาสจะมาฟังระธรรีอยู่ทุกทนขอบคุณครับเอาปุถุชก่นะคือเอ่อ สิ่งสาคัญนะก็คือ ส, ส ต, เติเมื่อตาเมื่อรูปมีกระทบตาหรือว่าเสียงกระทบหูนะมันจะเกิดเราเรียกว่าความรู้สึกขึ้นมาพอใจไม่พอใจไอ้สิ่งที่เป็นปัญหาคือความไม่พอใจถ้าเรามีสติรู้ทันความไม่พอใจตรงนั้นเนี่ยความไม่พอใจก็จะดับรู้ไปมันกับสเก็ตไฟซึ่งไม่มีเชื้อ เออยู่มันก็จะวูบไปแต่ทําไมจะเกตไฟมันกลายเป็นไปป่าลุกลามป่าทั้งผืนได้ก็เพราะมันมีเชื้อนะถ้าเราไม่มีสติเนี่ยหมือถึงวเราไปเราก็จะขุ้นคิดถึงเรื่องนั้นก็ทําให้เราโกรธมากขึ้นเรื่อยๆมันก็มันจะเติมเชื้อนกับไฟแต่สตเกตก็ล่องลองงาทําไมเราคึ้นคิกมันเพราะเราไม่มีสติแต่เมื่อเราไม่มีสติเนี่ยพอมันเจอความ ไม่พอใจแค่ามามันมันวู้ขึ้นมาเรารู้ทันเราวางมันวางเองนนะอย่างตัวอย่างที่ที่สมาธิว่าดีคือตัวอย่างของหลวงพ่อบุญดานะท่านเมื่อสักสาสิบปีก่อนท่านได้ับนิ ม, มนต์ให้ไปฉันในกรุงเทพท่านอยู่สิงห์บุราาานนนะีท่านมานะคะเป็นนาแล้วฮะท่านแก่ตอนนั้ท่านแก่แล้วประมาณแปดสิ ก, กว่า เมื่อพรถันเสร็จท่านก็เจ้าภาพก็บอกให้ก็แนะนําให้นิมนท์ท่านพักก่อนเพราะว่าท่านชรามากก่อนที่จะกลับไปเชียงบุรีก็จัดห้องให้ท่านจําวัดก็มีลูกสิษเนี่ยเข้ามานั่งเป็นเพื่อนลูกสึกก็กระทิบกระซาบพราะไม่อยากพูดเสียงดังให้ท่านเป็นการลุ ก, กวนท่านเพื่อในห้องข้างๆมันเป็นปิดเถามันเป็นรังคาเจ้าของรานเป็นอาชีพ ส, สวน เกี้ยไมย้เดินขึ้นลงมาดางังกอกแกดกบแกดกอแกดใช่ไฮะพวกเราลูกเราเคยเคยเห็นเกี้ยกันเสียงก็ดังเข้ามาในห้องที่หลวงปูด่ด่าจําวัสอยู่ลูกศิษย์ก็เลยบ่นขึ้นมาว่าพูดเสียงดังจงเลยไม่เกรงใจกันมากเลยหลวงปู่ด่าท่านจำบัสแต่ท่านไม่ได้หลับท่านก็พอได้อยู่ให้ก็เลยพูดมเบาๆ ว, ว่าเขาเดินของเขาอยู่ดีๆเราไปลองเกี้ยวเขาเองใช่ไหม บ่อยครั้งเนี่ยที่เราทุกข์เพราเราหูไปลองไปลองเสียงมอเตอร์ไซค์ไปลองไปลองเสียงเสียงของเพื่อนที่ทํางานอยู่ข้างๆเราใช่ไหมหูมันหาเรื่องเนี่ยถ้าไม่มีสติหูมันไปหาเรื่องนั้นพอเราใจเราก็เคพื่องขึ้นมาเนี่ยเพราะเสียงเพราะภาพหรือเพราะความร้อนหรือก็ อ, อะไรมากระทบนี่พอมีสติรู้เนี่ย มันมันหวางนะแต่ถ้าเปลี่ยนใจต่อไปแลโหก็ทําไมมันเดินดําจังว่ะมันไม่ไม่น่าเดินดำเลยเปลี่ยนใจกําบัางพิจารลาหน่อยอันนี้เราไม่มีสติษษษษษคือฟึ่งเปลต่ยนไปเรื่อย ๆ, ๆตรงนี้เนี่ยสําคัญมากนะถ้าเราทําได้นะฮะ อ, อย่างที่เราบอกอย่างเยอะแเด็กที่เขาป่วยที่เขาป่วยก็แต่เขาหน่งได้ใช่ไหมหมอเนี่ยใช้เ ข, ข, ข็มเข็มใหญ่ๆขึ้นเข้าไป ท น, นพี่เขาเคยร้องโวยวายมาก่อนาหวาผว า, าเขีนแต่ว่าเราก็ปฏิบัติจนมันก็มีสติดีเนี่ยเขาก็นิ่งได้ความเจ็บเนี่ยมันเจ็บแต่กายไม่มันไม่เจ็บถึงใจนะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราเจ็บเนี่ยเราไม่ไม่ใช่แค่แค่เจ็บที่กายเราใจมันเจ็บด้วยนะมีเพราะเพราะเร่องสติอันนี้เวลาเราเรออ จ, าจอพระิุากัน้าก็ ท่านก็ไปถึงขั้นที่ท่านไม่ได้ท่านไม่ได้มีแฟฟต่เพศสติเองที่มีสัญญาด้วยท่านก็เรียกว่าสัญญาขท่านทําให้ท่านเนี่ยหลุดพ้นกับความที่ถือในตัวตนคนเราเวลาเจ็บนะฮะมันจะมันจะไม่ใช่รู้สึกธรรมดาว่าเจ็บมันจะรู้สึกว่าฉันเจ็บฉันเจ็บนะมันมีตัวฉันไปพูดเจ็บอย่างที่เราบอก ว, ว่าทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นทุกขเวทนาทางร่างกาย แต่เมื่อแต่ก็ตามที่ฉันรู้สึกว่าฉันเจ็บฉันปวดเนี่ยมันจะกายเปความทุกข์ทรมานแต่ว่าท่านที่ท่านสินธียะตรงในท่านเข้าถึงธรรมนั่นก็ปล่อยวางจงากพันปล่อยวางจากตัวนตนนะั่นคือไม่มีตัวตนเมื่อไม่มีตัวตนก็ไม่มีผู้เจ็บมันมีแต่ความเจ็บจะไม่มีผู้เจ็บนะหรือว่าอีกอันหนึ่งก็คือว่าคือไม่ยึดเอาความเจ็บมาเป็นของฉันนะ มีคนถามหลวงปู่บุตดาซึ่งท่านมาหน้าภาปแล้วท่านก็มีคนเลือยงแล้วท่านเป็นพระอรหันต์ก็คนกระถามหลวงปู่มีความโกรธไหมหลวงปู่ท่านก็ตอบท่านว่า ม, ออามี่แต่ไม่เอามีไม่เอาก็จะเอามันไปทำไมน่มันก็ไม่น่าเอาเท่าไหร่นะแล้วก็ท่านก็ไม่ไม่เอาคือไม่ไม่ยึดว่าเป็นเป็นเราเป็นของเราเป็นเป็นตัวปู่ของปู่มันก็หลุดไปได้ไอ้เรื่องตัวปู่ของปู่เป็นเรื่องสําคัญเร่ง เรื่องตัวตนในรังคันนะซึ่งซึ่งถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยมันจะดีมีตัวอย่างนะซึ่งมันมันเป็นเรื่องของเด็กๆนะแต่เราจะมาเชื่อมันมันสอนสกับจะทําได้นะคือลูกของเพื่อตมาเนี่ยแกอยุสักสิบสองสิบสามได้แล้วก็วันก็นั่งรถนั่งรถโรงเรียน บอกว่าเด็กผู้ชายตัวเล็กๆที่อายุอ่อนแอนี่มันก็ไปรังแกเพื่อนผู้หญิงลังแก ม, มากๆเนี่ยคนที่ชืดแตงเนี่ยนซึ่งเป็นลูกของเพื่อ น, นี่ยแกก็ทนไม่ได้แกก็ตบหัวเด็กจะร้องแล้วก็เลิกไปเลยใช่ไหมแต่แต้นี่ก็รู้สึกผิดนะเมื่อกลับมาถึงบ้านคิดอีบานอีมขาเขามีเขามีกติกาว่าถ้ามีอะไรต้องคุยกันแตงนี่ขเขาเงี้ยวนะแม่ก็จับจับที่ลูกแตงไปทั้า เต้นมีอะไรบอกแม่ว่านะเต้นก็บอกว่านม่ไม่เชื่อเลยนะว่าไอ้มือข้างนี้เนี่ยมันจะตบเด็กได้แกไม่บอกว่าไม่น่าเชื่อว่าเต้นจะตบเด็กนะแม่ไม่กล้าเชื่อว่าอมือข้างนี้ไปตกเด็กได้คือจะไม่ไม่ไม่เอาตัวตนมารับผิดชอบอ่ะกับมือข้างนี้นะมาเป็นเรื่องของไอ้ที่ตกนี่เป็นคือเป็นมือตกไม่ใช่ฉันตกอันนี้เราทํำได้ไหมเวลาเจ็บเนี่ยแค่มือเจ็บแต่ไม่ได้ฉันเจ็บอ่ แล้วเจ็บในมือเก็บไมในแขนเก็บในคําด้นะแต่เต้นเนี่ยเขาเอาตัวตวนแรกออกมาจากมือข้างนี่เลยนะมือข้างนี่มันตบท่านไม่ได้ถือนตบเด็กนะมือข้านี่มันตบนะ อ, นะอีกเรื่องนึงเนี่ยจับประโมดท่านก็เล่าตอนเด็กเๆไงนะเล่นไล่จับกันก็มีจดบันดาลว่าถ้าถ้าจับตัวได้หรือแตะมือแตะตัวได้นี่ก็ถือว่าแพใช่ไหะท่านก็ไปแตะใครต่อใครนั่นก็น ก, ไนะ ก, ก, ก็ไม่มีป็นหาอะไร แต่เวลาคนมาแตะเพื่อนมาแตะมือเพื่อนก็บอกว่าแตะตัวแล้วท่านก็บอกไม่ใช่ตัวนั่นมันมือเพื่อนเอาไม้เพื่อนก็บินไล่พอแตะเอวเดพื่อนบอกจะแตะตัวได้แล้วท่านก็บอกว่าไม่ใช่ตัวมันเอวใช่มเพื่อนมาแตะเท่าไหร่ก็ไม่เคยแตะตัวได้สิเพราะมันมีแต่มือไม่มือก็หัวไม่หัวก็เอวไม่เอวก็แขนหาตัวไม่เจอ นี่แหละสจะท ร, รเลยนะคือถึงคนที่บรรุธรรมถขัน้นนี้มันไม่มีตัวตนแล้วมีแต่มือแขนขาหรือว่าแต่ไม่ใช่มือของทั้นแล้วก็ไม่ใช่ส่วของทั้นด้วยทฉะแั้มันไม่มีตัวที่จะเป็นผู้ทุกข์ไงเวลาป่วยนะนะก็ก็ป่วยแต่กาย แ, แต่ฉันไม่ป่วยด้วยเพราะไม่มีตัวฉันให้ป่วยแล้วน อันนี้นะทิคือท่านมองไปถึงขัน้นนั้คือไม่ใช่มองทิศคือท่านเหน็นเลยคนระับว่ามาเป็นอย่างนั้นก็ไม่ไม่แน่นะเพราะสาหรับบางท่านเนี่ยท่านเขารู้สึกว่าภาคทศรษฐีมันยากปฏิบัติโดยรบบางท่านปฏิบัติมันง่าย ยิบยังเช่นเนี่ยสติปัฏฐานเนี่ยการเจริญสติเนี่ยโอ้ยสติปัฏฐานสูตรนี่ยาวเหยียดเลยนะเอาทำไมังท่องไม่ได้เลยมาสติปัฏฐานสูตรแต่หัวแจงการปฏิบัติคือว่ากายอยู่ไหนใจอยู่นั่นตัวอยู่นี่นะให้ใจอยู่นี่ก็พอแล้วไม่ต้องไปไหนนะใช่ไหง่ายนะฮะแต่แต่เวลาทําจะให้ เวลาทําเนี่ยมันก็ทําค่นี้เองคือว่าตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นมันอาจจะดูยากแต่ว่ามันก็ง่ายถ้บทฤษฎีพอทฤษฎีเนี่ยโหเป็นตําลาเลยใช่ไหมและจรนงๆคือว่าพิสูจน์นะก็คือว่าเด็กก็ทําได้เด็กเขก็ไม่ได้มีความรู้ทฤษฎีอะไรมากแต่ทําไมเด็กทำได้ ก็แสดงว่ามันทฤษฎีมันง่ายกับปฏิบัติง่ายกับทฤษฎีพราะเดจะก็ยังทำได้เลยให้เด็กมาเรียทฤษฎีอะไรอย่างนีเรื่องนี้เนี่ยมีตัวอย่างนะในสถาปัตยการเนมีพรรุ่นหนึ่งซึ่งได้ชื่อว่าบรมงโกเลยจิลปันทกจิลปันทศแค่ข้อความหรือบทสวดมนต์ไม่ถืประโยชน์กระท้องไม่ได้เด็กมาทำถูกไล่ออกจากว่า ก็นั่งเจ้าพุทธศาสนายังคือร่างร้องไห้อยู่หน้าอยู่อยู่ตรงประตูวัดนั่นแหละจนพระพุทธเจ้าถึงท่านจะออกไปออกไปนอกวัดพอดีเขาจะรับนิ ม, มนต์นิ ม, มนต์ทุกฤกษ์กระโยกเป็นท่านนะฮะพรุทธเจ้าก็รู้ว่าจิลปันโทมีเพราะแท้หมดหวังกับการปฏิบัติพระุทธเจ้าเลยบอกว่าถ้าจุลปันโทนีนะเอาผ้ามาผ้านี่นยนะผ้าสีขาวเนี่ยให้เอามือเนี่ยลู แล้วก็บริกรรมว่ากระโชกพลังน้ำกรโชกน้ำก็คือผ้าเพื่อนฝุนผ้าเพื่อนฝุนทําไปทําไปใจก็ท่านก็เริ่มเป็นสมาธิแค่นั้นเองแล้วทําไปทําไปเนี่ยผ้านี่ยมันก็เริ่มคละหมองเริ่มคล้ำเริ่มดำขึ้นมาท่านก็เกิดสติปัญญาขึ้นมาเลยนะออ้ใจเราก็เหมือนกับผ้าขาวนี่ไง มันเคยขาวมาก่อนแต่ว่ามันดํามันคล้ำเพราะปิเล่มาจับมาจอดมาจับและการที่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของผ้าขาวกลายเป็นผ้าคล้ำเ น, นี่ยมันสอนเรื่องอนิจจังโดยตรงเลยอ น, นิจจังทุกครโั้งก็โยงเท่านประโยคปฏิบัติธรรมเท่านการบรรลุธรรมเลยเป็นข้ออาหารหันตอนนั้นเลยนะก็หมายพราะคนที่งงเนี่ยก็สามารถปฏิบัติธรรม็น บ, บรรลุธรรมได้ ทะงทปริยัตนี่ไม่ไม่เป็นไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เอาอ้าเลยอชมท่งไม่ได้สักประโยคหนึ่งนั้นเจอสุดก็้ว่าว่าฤทฤษีแล้วปฏิบัติได้หรือทฤษฎีนี่เราช้เวลาและใช้แต่เดียวก็ากนะคะสหรับเออพี่น้อง อาตมาเอานักื่อมาแจากติดติดติดเล่มหนึ่งเป็นเรื่องกรรมนะฮะอยู่ห้องคือห้องอยู่ห้างหน้านะฮะเพื่อของฟอร์สับทุกเล่มนคือประมาณสี่สิบเล่ม ขอต้องขอบคุณแมวนะคะที่ทําให้พวกเรามีโอกาสได้มาฟังธรรมะในวันนี้นะคะแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณพระาจารย์นะคะที่เมตตามาบรรยายธรรมในวันนี้พี่เร า, าหวังว่าวันสักวันหนึ่งนะคะเราจะมีโอกาสไปไปเยือนวัดป่าสุขตงนะคะรู้สึกอยาก จ, จ, จะจับติดมากเลยนะคะเดี๋ยวใครอยากไปมาลงทะเบียกันนะคะกราบขอบคุณขอเดินทอค่ะ